ดับที่กาเมื่อวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2552โดยพระคัญจิตคุณวโรผู้ช่วยเจ้าอาวาวัดยานเวสกวันจังหวัดนครปฐมขอเจริญพร สำหรับในวันอาทิตย์นี้เราก็จะได้มาคุยกันต่อจากเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนะวันอาทิตย์ที่แล้วนั้นอาตมาได้สอนในเรื่องของมรรคมีองแปดจนกระทั่งถึงสัมมาวาจานะจเจริญพรก็วันนี้จะมาคุยกันต่อ น, นิดหนึ่งนะต่อจากสัมมาวาจานะก็มีสัมมากรรมันตะสัมมาวาจานะข้อต่อไปก็จะเป็นเรื่องของสัมมาอาชีวะนะก็คือการหาเลี้ยงชีพชอบ ในที่นี้ก็หมายถึงการได้มาซึ่งวัตถุสิ่งขอ ง, งต่างๆเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตหรือในการดำรงชีวิตรวมไปตั้งแต่การหาหรือการได้มาเปลี่ยนเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมและสังคมหรือเปล่าหรือว่าเครือขูนหนึ่งก็คือการหาหรือการได้มาสองก็คือรู้จักใช้ไห้นะรู้จักเก็บไหมตรงตรงนี้จะรวมอยู่ในอาชีวะหมดเลยนะเป็นเรื่องของการได้มาซึ่งวัตถุสิ่งของต่างๆในการ ยังชีพทั้งหลายซึ่งในเรื่องนี้สัมมาอาชีวะนั้นก็จะมีรายละเอียดย่อยอีกเยอะเลยแต่จริงๆตั้งต้นตั้งแต่เจตนาในการได้มาซึ่งวัตถุสิ่งของต่างๆในการที่จะทําให้เขามีชีวิตหรือดารงชีวิตอยู่ได้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสัมมาอาชีวะซึ่งการได้มาซึ่งวัตถุสิ่งของต่างๆจะเห็นว่ามีทั้งได้มาโดยทางที่เคร้อกูลแล้วก็ไม่เกืกูลด้วยอันนี้รายละเอียดเดียวจะกล่าวทั้งอีกทีหนึ่งนี้ อ, องค์ประกอบที่สําคัญ ที่วันนี้อยากจะกล่าวถึงแล้วก็เน้นหนักเป็นพิเศษก็คือในฝ่ายของจิตใจในฝ่ายจิตใจนั้นพระพุทธเจ้าท่านจะเริ่มต้นตั้งแต่สัมมาวายามะวายามะเนี่ยมาจากอะไรเอ่ยมาจากก็คือคําว่าวิริยะนั่นเองวิริยะมาจากคําว่าอะไรเอ่ยมาจากคําว่าวีระะแปลว่ากล้าหาญแต่ชื่อว่าวีระนี่ก็คือกล้าหาญใช่ไหมวีระแล้วก็วิริยะเนี่ยมาจากคําเดียวกัน เป็นยังไงคือกล้าหาญคือคนเวลากล้าหาญเนี่ยเข้าสู่สมรภูมิศึกสงครามเนี่ยคนที่กล้าหาญเป็นยังไงเอย่ยไม่กลัวไม่ย่อท้อใช่ไหมดุลยไปข้างหน้าได้เลยฉันใดก็ฉันนั้นนะวิริยะหรือ ว, ว, วีระเนี่ยพกล้าหาวิริยะก็หมายถึงความาพเพียรพร้อมที่จะบุกบุกไปข้างหน้าพร้อมที่จะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างต่าอันนี้คือคือที่มาของคําว่าวิริยะเนี่ยหรือความเพียร น, นั่นเอง ถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยนี่มีคำแปลเยอะเลยน ะ, จะเจริญพรขออภัยนะถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยมีคำแปลเยอะเลยคำว่าวิริยะนี่นมีตั้งแต่หนึ่ง ความพากเพียรความมุ่งมั่นบักบันก้าหน้าเอาจริงเอาจังนะใจสู้ไม่ระยอไม่ทอ้อถอยภาษาไทยเนะี่ยเยอะเลยนะใจสู้ก้าวหน้าบักบันนะแล้วก็ความมีกำลังใจนะความมีกาลังใจกนะาลังใจในการที่จะต่อสู้ก้าหน้าบักบันฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆ พิ่งนี้เป็นคาว่าวิริยะหมดเลยนะเป็นความหมายของวิริยะหมดหรือที่มักจะใช้กันในภาษาวัยรุ่นก็สู้ๆอ่ะนะใจสู้นั่นเองนะขออภยัย อย่างนี้เราเรียกว่าวิริยะหมดเลยนะเพราะฉะนั้นวิริยะนั้นมีทั้งสัมมาแล้วก็มิจฉานะถ้าเป็นมิจฉาวิริยะเป็นยังไงเอ่ยก็คือภาคเพียรในการทําสิ่งที่ไม่ดีไงอย่างโจรเวลาจะขโมยของนั้นบางทีมันมีความเพียรมากนะกว่าจะตัดรวดตัดโซ่อะไรออกไปได้ใช่ไหมแต่ความเพียอย่างนั้นนั่นบอกว่าไม่ถูกต้องนะไม่ใช่เป็นไปในทางที่คือกูรีงดีงาม และความเพียรอย่างไรจึงเป็นความเพียในทางที่เกื้อกูลดีงามท่านแบ่งความเพียนี้ออกเป็นสี่อย่างด้วยกันเป็นหมวดธรรมหมวดหนึ่งที่เราเรียกว่าสัมมาประธานสีหรือประธานสนะีคือความเพียที่เป็นหลักนะมีอยู่สี่ประการด้วยกันประการที่หนึ่งนะาภาษาบาลีท่านใช้คำว่าสังวรประธานสังวรประธานคือ เพียรในการระมัดระวังและป้องกันบาปอากุศลหรือสิ่งที่ไม่เกื้กูลทั้งหลายที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้เป็นอย่างไรนะเราเห็นว่าผู้อื่นทําสิ่งที่ไม่ดีต่อไปเราสํมมติระมัดระวังอย่าไปทําสิ่งนั้นหรือเราได้อ่านได้ยินได้ฟังมานะจากคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่ไม่ดีสิ่งนั้นไม่ควรทํา เมื่อเรารู้เราได้ศึกษาเรารู้อย่างนี้เราก็ระมัดระวังไม่ไปทำสิ่งนั้นเพียงในความเพียรในการระมัดระวังไม่ไปทำสิ่งต่างๆเหล่า น, นั้น <c oughs> เราเรียกว่าสังพลประทานซึ่งบางครั้งมันต้องฝืนความรู้สึกของตัวเองใช่ั้มคนบางทีจะชอบทำอะไรไปตามใจตามความชอบใจไม่ชอบใจเพราะฉะนั้นมันจึงต้องมีความเพียรไงต้องมีความใจสู้เอาจริงเอาจริในการที่จะทาสิ่งนั้น อันนี้ความเพียนอย่างแรกถ้าเรียกว่าสังวรประทานเพียนในการระมัดระวังเพียนในการป้องกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางด้านพฤติกรรมกายวาจา ก, ก็ดีหรือแม้แต่กระทั่งสภาพจิตใจก็ดีหรือแม้กระทั่งท่าทีหรือความรู้ความเข้าใจของเราต่อโลกและชีวิตก็ดีเรารู้ว่าสิ่งใดไม่ดีไม่ไปทําสิ่งนั้นโยมพอยกตัวอย่างได้ไหมด้วยตัวของโยมเอง อาในแง่ของสิ่งแวดล้อมการเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพอย่างแรกเลยนะถ้าเรารู้ว่าเราเป็นเบาหวานหรือมีไขมันมากควรกินไหมของหวานหวานขนมเ ค, ค้กหรือว่าของมันมันไม่ควรใช่ไหมพอเห็นปุ๊บโยมต้องมีความเพียรประเภทสองบนประทานแล้วใช่ไหมใช่ต้องเอาชนะใจตัวเองละ อันนี้เป็นความเพียนอย่างหนึ่งนหนึ่งรู้ว่าสิ่งนั้นไม่ดีสติเป็นตัวจกักปัญญาเป็นตัวพิจารณาจากนั้นความเพียนต้องเอาชนะใจตัวเองแนละ้วมันน่าอร่อยนะเค้กหน้านี้มันน่ากินนะเคยกินแล้วชอบเนี่ยเป็นยังไงต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้ใช่ไหมใช่เนี่ยแหละท่านั้งบอกว่ามันต้องมีความเพีย้ยนเพียนในการป้องกันนะไม่ให้บาปอกุศลละธรรมเกิดขึ้นหรือไม่ไปทําบาปอกุศลละธรมเหล่านั้นก็เมื่อเรารู้ว่าไม่คกิดกูแล้วเราจะไปทําในด้านสังคมละ่ะ ขับรถอยู่ที่ยกตัวอย่างบ่อยๆพ่อมีปัญหาเป็นประจำเรื่องนีนะ้ถูกเขาขับปาดหน้าปึ้งจะโกรธขึ้นมาเออเราเคยได้ยินได้ฟังมาความโกรธนั้นไม่ดีไม่ได้ต้องไม่โกรธอันนี้ยากกว่าใช่ไหมยากกว่านะอถ้าโกรธอยู่ก็จะอย่าไปพูดคําหยาบออกไปนะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นมิจฉาวาจาแล้วก็อย่าไปแสดงอากับกิริยาที่ไม่ดีอย่าไปขับรถปาดหน้าเข้าคืนนะอย่างน้อยที่สุดพฤติกรรมในด้านสังคมอย่าไปทําใช่ไหม ในด้านจิตใจก็คือพยายามเราบ้านระวังรักษาจิตใจไม่ให้จิตใจที่ไม่ดีงามนั้นเกิดขึ้นเมื่อเรารู้ว่าสภาพจิตใจอย่างไรเป็นสภาพจิตใจที่ไม่ดีงามนั้นพวกนี้ต้องฝืนความรู้สึกในช่วงแรกบางทีบางอย่างมันเป็นเรื่องของความเคยชินของเรานะมันต้องฝึกนะฝึกแรกๆมันก็ต้องฝืนใช่ไหมแต่ถ้าฝืนได้นะต่อไปมันได้ฝึกพอได้ฝึกก็จะกลายเป็นพื้นจิต ข, ของเราต่อไปมันก็จะไม่ลําบากแล้วในการที่เราจะ อ่าทำสิ่ง ท, ท, ที่ดีงามเหล่านั้นหรือระวังป้องกันไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีงามมันเกิดขึ้นอ่าอันนี้อย่างแรกมีคำถามไหมไม่ยากนะแต่ว่าเราต้องฝึกนะเราต้องฝึกนะอย่างที่สองอย่างที่สองนั้นใช้คาว่าปหานาประธานเพียงในการกำจัดนะหรือแก้ไข กำจัดหรือแก้ไขอะไรกำจัดหรือแก้ไขสิ่งที่เป็นอกุศลหรือสิ่งที่ไม่เกือกูลไม่ว่าจะเป็นทางด้านพฤติกรรมทางด้านจิตใจหรือในแง่ของทัศนติความรู้ความเข้าใจถ้ารู้ว่าสิ่งใดไม่ดีเราทำอยู่เลิกสิ่งนั้นอย่าไปทำการพูดที่ไม่ดีอะไรที่เรายังเป็นอยู่เลิกสิ่งนั้นอย่าไปทาสภาพจิตใจอย่างไรที่ไม่ดีที่เราเป็นอยู่แก้ไขซะว่างจากสิ่งนั้นออกไป สร้างสิ่งที่ดีงามขึ้นมาแทนนี่คือเพียรในการกําจัดสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นในจิตใจคนเราทุกวันนี้ี่ยบางทีความเพียรตรงนี้ไม่ค่อยมีใช่ไม่ใช่ะความเพียรตรงนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ปหาน้ประธ า, านไม่รู้ว่าถ้าฉันชอบเมื่อไหร่เป็นยังไงไม่ยอมกําจัดนะแต่จะเอาแต่จะพเนาะพนอมันอา้าวจริงหรือไม่จริงอลองดูก็ได้ในชีวิตประจํำวันนะดูหนังดูละครนี่เป็นยังไงเป็นสิ่งที่ดีต่อจิตใจไหม ในแง่ของจิตใ จ, จดีไหมทำให้ติดทำให้เพลิดเพลินเสียวเวลาแล้วแล้วยังดูอยู่หรือเปล่าดู <c oughs> ขาดความเพียร <c oughs> ไม่มีกําลังใจใช่ไหมไม่มีความกล้าหาญที่จะทำตรงส่วนนั้นเ <c oughs> นี่ยแหละนะมันมันต้องมีตรงนี้ด้วยนะต้องมีความกล้าหาญมีกําลังใจตั้งใจมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังนะหรือ ในด้านของภาวะของจิตใจของเรานะเวลาความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยรู้ไหมว่าไม่ดีรู้นะอาตมาเชื่อว่าทุกคนรู้พยายามกําจัดมันไหมบางคนจะไม่ใช่พยายามกําจัดนะพราะโกรธขึ้นมาแล้วคนนี้ยิ่งคิดยิ่งโกรธยิ่งโกรธ ย, ยิ่งคิดแล้วก็ติดอยู่กับตรงนั้นแทนที่จะเลิกใช่ไหมอันนี้คือขาดความเพียร น, นะไม่มีกําลังใจในการที่จะกําจัดสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นที่มันกําลังเกิดขึ้นในจิตใจ ความโกรธนี่ยังเห็นง่ายนะสิ่งที่เห็นยากกว่านั้นคือความโลภความชอบใจความเพลิดเพลินความยินดีอ่ะพอทําให้เรามีความสุขเสร็จปุ๊บมันกระโดดเข้าจับปั๊บเลยจับแล้วคราวนี้ไม่ยอมเลิกด้วยนะแล้วเราก็กลับพเนงพนอมันนะอันนี้คือเรามักจะทําในสิ่งที่ตรงกันข้ามอย่างนี้ะมันถึงมีความทุกข์เกิดขึ้นเยอะไงในชีวิตเข้าใจนะมันถ้ารู้ว่าสิ่งใดไม่ดีเพียงพยายามในการกําจัดในการแก้ไข อันนี้ประการที่สองท่านเรียกว่าประหาะประธานประหาะปรปะหารก็แปลว่าประหารนั่นเองแต่ในที่นี้จะไม่มีรอเรือสสะอาปอปาห้องหีบสะอานอนหนุ่เลยความเพียรอย่างที่สามท่านบอกว่าสิ่งใดเป็นกุศลสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ดีงามเพียรพยายามพัฒนามันขึ้นมาภาษาธรรมะท่านใช้คำว่าภาวนาประธานภาวนาประทาน ภาวนาประธานก็คือเพียรพยายามในการพัฒนาขึ้นมาเพียรพยายามในการสร้างให้มันเกิดให้มันมีขึ้นมาในชีวิตของเราอันนี้ภาษาธรรมเราจะา ใ, ชใช้คําว่าภาวนาประธานภาวนาประธานอา้าวยกตัวอย่างได้ไหมในชีวิตของเราการรักษาศีลห้านี่ดีไม่เอ่ยดีไหมอยู่ร่วมกันมันเครือกูลใช่ไหมไม่เบียดเบียนกัน เพราะฉะนั้นในเรื่องของพฤติกรรมในการอยู่ร่วมกันที่ไม่เบียดเบียนก่อให้เกิดความเกลียดกันอย่างนี้เราควรสร้างให้มีขึ้นมาในชีวิตของเราเราจึงควรที่จะต้องรักษาสีหน้าเป็นประจำนในขณะที่เราพยายามทําสิ่งนี้เราเรียกว่ามีความเพียรในการทําสิ่งนี้เราเรียกว่าภาวนาประทานเข้าใจนะหรือจิตใจที่ดีงามเป็นสิ่งที่ดีไหมอย่างสัปดาห์ที่แล้วได้ทํากันไปแล้วเป็นสิ่งที่ดีงามไหม ดีเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่มีความสุขเมื่อนั้นใช่ไหมรู้สึกอิ่มใจใ ช, ไใชงงนะ่ไม่ใช่อ้าวอย่างนั้นทำบ่อยๆสินะไม่ใช่อาทิที่แล้วทําเสร็จปุ๊บก็ลืมไปแล้วนะผ่านมันพุธมานะแล้วก็กลับไปอย่างเก่าไม่เอานะเนี่ยต้องคอยพัฒนามันไว้นคอยพัฒนามันขึ้นมาถ้ายังไม่มีพัฒนามันขึ้นมาอันนี้เรื่องของสภาพจิตใจในเรื่องของความรู้ความเข้าใจก็เช่นเดียวกันภาษาธรรมะรเรีอกว่าภาวนาประทาน ความเพียรอย่างที่สี่สิ่งที่เป็นกุศลสิ่งที่ดีงามนั้นถ้าเรามีอยู่ในใจพยายามรักษามันเอาไว้ศีลเรายังประศีลเรากำลังประพฤติอยู่พยายามทำให้ต่อเนื่องนี่คือรักษาไว้คุณงามความดีเหล่านั้นจิตใจที่ดีงามรักษาเอาไว้ให้ต่อเนื่องหรือแม้แต่กระทั่งพฤติกรรมของเราต่อเสิ่งแว้ลอมและสังคม สิ students, ่งใดที jog, ่เราทําเป็นความเคยชินเป็นสิ่งที่ดีงามอยู่แล้วนะยกตัวอย่างง่ายๆการจัดสิ่งต่างๆให้เป็นระบบเป็นระเบียบใช่ไหมการดูแลความสะอาดนะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการที่เรารู้จักทําอะไรเป็นเวลาอย่างนี้เป็นต้นนี่คือสิ่งที่ดีใช่ไหมถ้าเราทําอยู่พยายามรักษาเอาไว้พยายามรักษาเอาไว้อย่างพวกนี้เป็นต้นพฤติกรรมที่ดีงามถ้าเราทําอยู่รักษาเอาไว้จิตใจที่ดีงามถ้าเราเป็นอยู่รักษาเอาไว้ ความเพียรอย่างนี้เราเรียกว่าอนุรักษณาประทานอนุรักษณาประทานเราเรียกว่าเพียรพยายามรักษาเอาไว้เพราะว่าการสร้างเนี่ยว่ายากแล้วนะการรักษ า, าไว้ให้ได้ต่อเนื่องในยากกว่าฉะนั้นสิ่งนี้เราจะต้องฝึกสิ่งนี้เราจะต้องฝึกเอาไว้ในทางพุทธศาสนาจึง ม, มีวิธีการฝึกจิตที่จะพยายามให้รักษาสภาพหรือภาวะที่ดีงามนั้นให้ต่อเนื่อง การฝึกอย่างนี้เนี่ยก็จะเราเขาจะเรียกกันว่าการฝึกสมาธินั่นเองนะฝึกสมาธิหรือฝึกจิตตะภาวานานเนี่ยแหละเป็นการฝึกรักษาหนึ่งในการสร้างภาวะที่ดีงามในจิตใจให้เกิดขึ้นสองภาวะที่ดีงามเกิดขึ้นแล้วฝึกในการที่จะรักษาภาวะเช่นนั้นให้อยู่ต่อเนื่องไปได้นนี้แหละเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่จิตใจเท่านั้นพฤติกรรมการพูดการจาต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมไปถึงความรู้ความเข้าใจด้วยเพราะฉะนั้นมีความรู้เท่าเดิมเนี่ยท่านไม่ได้กว่จเริญ น, นะเพราะว่าสิ่งต่างๆมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดใช่ไหมใช่มันจะต้องให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมไปไเรื่อยๆสิ่งที่เป็นกุศลธรรมหรือสิ่งที่เป็นคุณธรรมเป็นคุณงามความดีเหล่านี้พราะพระพุทธเจ้าทั้งถึงสอนว่าให้มีความเพียรในการที่จะละเว้นอกุศล กํจัดอกุศลมีความเพียรในการพัฒนากุศลและก็รักษากุศลแลรมเหล่านี้เอาไว้ความเพียรอย่างนี้นี่แหละจึงเป็นความเพียรที่เราเรียกว่าสัมมาวายามะหรือความเพียรพยายามที่ถูกต้องเป็นไปเพื่อความเจริญงอกงามต่อชีวิตและก็สังคมโดยส่วนรวมเรื่องความเพียรมีคําถามไหมเอ่ย <c oughs> <c oughs> ต้องขอไผยยมด้วยนะพอดีมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเสียง <c oughs> อ่ามีคำถามอะไรไม่เอ่ยไม่มีนะคิดว่าคงไม่ค่อยยากเท่าไหร่เกิดเรื่องของสวายวายามะคือเข้าใจไม่ยากแต่เวลาทำเนี่ยมันจะยากหน่อย <c oughs> ามาถึงฝ่ายจิตใจฝ่าจิตใจประการถัดมาเป็นอย่างที่สองของฝ่ายจิตใจแต่เป็นประการที่เจ็ดของมรรคมีองแปดก็คือสัมมาสตินะคือสัมมาสติสัมมาสติคืออะไรตนะอนอื่นมาทําความเข้าใจความหมายก่อนของคําว่าสติสติคืออะไรสติก็คืออาการนึกหรืออาการระลึกนั่นเองนะ อันนี้คือความหมายของคำว่าสติการนึกหรือการระลึกสตินั้นจะมีลักษณะอยู่สองอย่างด้วยกันอลองสังเกตดูนะ1นสตินั้นทำหน้าที่จับสิ่งที่กำลังปรากฏหรือสิ่งที่เรากำลังเกี่ยวข้องอายกตัวอย่างเช่นนะขณะที่เราอ่านหนังสือเราต้องคอยนึกถึงตัวหนังสือที่เรากำลังอ่านใช่นั่นแหละอาการนึกหรืออาการระลึกจับสิ่งที่กาลังปรากฏ จับสิ่งที่กําลังเรากําลังเกี่ยวข้องอยู่ในขณะนั้นนั่นแหละเราเรียกว่าสตินี่เป็นลักษณะอย่างที่หนึ่งของสติหรือในขณะที่เราฝึกสมาธิโยมก็ต้องคอยนึกหรือเรลึกถึงอารมณ์กรรมาฐานใช่ไม่ใช่อาการที่โยมนึกหรือเรลึกถึงอารมณ์กรรมาฐานนั่นแหละเราเรียกว่าอาการของสตินั่นคือจับภาวะที่กําลังปรากฏอยู่ต่อหน้านนี่ถ้าสติมีกําลังเวลาจับมันก็อยู่ใช่ไหมแต่ถ้ามันมีกําลังเป็นยังไงเอ่ย มันจับได้ไมต <IS> ่ต่อเนื่องเผลอปุ๊บมันก็วิ่งเลยใช่ไหมความคิดมันก็ไปเลยนั่นแหละที่เรามักเรียกว่าความฟุ้งซ่านอหละสติมันไม่มีกำลังนะหรือมันลืมนะไม่ไม่ไม่สามารถนึกหรือรึกจับต้องตรงสิ่งสิ่งต่างๆเหล่านั้นเอาไว้ได้อันนี้อย่างแรกนะมีหน้าที่จับภาวะเนหรือระลึกถึงภาวะที่กําลังปรากฏอยู่ <S <S 1> <S 1> หน้าที่อย่างที่สองมีหน้าที่นึกหรือระลึกหรือไปดึงเอาสิ่งที่ผ่านไปแล้ว เอามาใช้งานอาเป็นยังไงเอ่ยอาการอย่างนี้ทำหน้าที่นึกดึงหรือะระลึกถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วเอามาใช้งานเช่นเราทำหน้าที่การงานนะเอ้งานนี้มีปัญหาอุปสรรคอย่างนี้หรือต้องแก้ไขอย่างนี้เราก็ต้องเป็นนึกถึงความรู้หรือประสบการณ์เก่าใช่ไหมในการที่เราจะเอามาสำหรับแก้ไขหรือพัฒนาอาการนึกหรืออาการะระลึก ถึงเรื่องราวต่างๆที่เราได้เรียนรู้มาหรือประสบการณ์เก่าที่เราได้เรียนรู้มาเพื่อเอามาแก้ไขเอามาพัฒนางานนี่แหละก็เป็นอาการของสติเช่นเดียวกันในสมัยโบราณท่านใช้คำว่าการนึกถึงคำนึกถึงการที่ทำคำที่พูดที่ผ่านมาแล้วแม้แมนานนะการนึกอาการอะไรอย่างนี้ก็เป็นหน้าที่ของสติสติก็จะทำหน้าที่มีลักษณะการทาหน้าที่อยู่สองอย่างจับภาวะที่กาลังปรากฏอยู่ต่อหน้า โดยไม่ปล่อยไม่เพิอไผลไม่ลืมอย่างที่สองทำหน้าที่นึกหรือระลึกสิ่งที่ผ่านไปแล้วหรือประสบการณ์เก่าที่ผ่านไปแล้วนึกหรือระลึกขึ้นมาเพื่อเอามาใช้งานมันสติในที่นี้จะไม่ใช่ตัวความรู้ไม่ใช่ตัวปัญญาแต่มันจะทาหน้าที่คอยดึงเอาความรู้หรือดึงเอาปัญญานั้นมาใช้งา น, นสติมันตัวทาหน้าที่ตรงนี้สติท่านจึงไม่จัดอยู่ในหมวดของปัญญา แต่จากจไลนิฟายของจิตใจเพราะว่าเป็นตัวทํางา น, นเป็นตัวทํางาน อ, าน <S <S อ้าวนะคราวนี้สติถ้าแปลเป็นภาษาไทยโอ้แปลได้เยอะเลยนะแปลได้เยอะเลยเอ้าวลองฟังดูกันแล้วกันในที่นี้ที่ยกมานี่ไม่หมดหรอกนะสตินั้นท่านบอกว่าได้แก่อาการนึกอาการระลึกนะอาการนึกอาการระลึกอาการที่ไม่เผอผไผย ไม่ปล่อยประละเลยไม่ประมาทเลินเล่อพวกนี้อาการของสติหมดเลยนะไม่เพ้อไผลไม่ละเลยไม่ประมาทลินเล่ออาการไม่สัเคร้าวทาให้ไม่พลาดไปทําสิ่งที่ไม่ควรทําแล้วก็ไม่พลาดโอกาสในการทําสิ่งที่ดีงามที่ควรทําำอันนี้ก็เป็นอาการของสติ รวมไปถึงอาการที่เราไม่ประมาทอาการไม่ประมาทคืออะไรนึกหรือลึกหรือจับได้อยู่ตลอดใช่ไหมไม่ปล่อยไม่ประมาทก็คือไม่ปล่อยปละอาการที่ไม่หลงลืมนะไม่หลงลืมอาการหลงลืมนี่ก็เป็นอาการของการขาดสตินั่นเองอาการหลงลืมนี่คือสิ่งนั้นผ่านไปแล้วหรือเราได้ประสบแล้วแต่ว่าเราไม่สามารถนึกขึ้นมาได้ ไมายเอาไว้แต่ว่าไม่สามารถนึกขึ้นมาได้อาการลืมอย่างเงี้ยเป็นอาการที่เราไม่สามารถนึกหรือระลึกได้ก็คืออาการขาดในเรื่องของสตินั่นเองเป็นยังไงความหมายกว้างเลยนะอันนี้เป็นความหมายทั้งหมดของสตินะไม่ปล่อยปะละเลยไม่ประมาทเลินลไม่เผลอแผลยรวมไปถึงอาการที่เราเรียกว่าไม่ผัดวันประกรันพรุ่งนะะนนึกได้ถึงสิ่งที่จะต้องทำํำนะสิ่งที่จะต้องทําคําที่จะต้องพูดนะ อาการอย่างนี้เป็นอาการของสติหมดเพรานี้สตินั้นมีทั้งสมมาสติแล้วก็มิจฉาสติมิจฉาสติเป็นยังไง <c oughs> อาการที่เรานึกหรือระลึกในสิ่งที่ชอบใจในเรื่องที่ไม่ดีจำได้ไหมเวลาคนมาว่าเราีนจำได้ไหมจำได้นึกไหมนึกนึกบ่อยด้วยนั่นแหละมิจฉาสติละ่ะ <c oughs> อาการนึกหรือระลึกอย่างนั้นแ่ะมิจฉาสติละ่ะ คือนึกหรือระลึกในสิ่งที่ไม่ดีมีสติจริงแต่ว่าพอดีเอาสตินั้นไปใช้นึกหรือลึกในสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหหรืออย่างโจรเวลาจะขมโมยของเป็นยังไงนึกไหมโอ้หมัอนจามแม่นนะจะมาตอนกี่โมงรหัสอะไรจะเข้าไปตอนไหนมีเวลาเท่าไหร่ใช่ไหมโอ้นี่ผมวันนีน้หนึ่งความรู้มันก็มีในะความรู้ในการขามโมยสติมันก็แม่นเลยนะนึกหรือระลึกได้แม่นแต่สติอย่างนั้นเป็นมิจฉาสติ เพราะเป็นนึกเหรือเลืในสิ่งที่ไม่ดีนะ อ, อย่างถามโยมตอนนี้อาหารอะไรชอบมากที่สุดนึกได้เลยนัรสชาติเป็นยังไงลอนยายได้หมดเลยใช่ไหมสัมมารหรือมิจฉาแล้ว <c oughs> นะมักจะชอบนึกใช่ไหมพอจะกินข้าวทีหนึ่งปุ๊บอาการนึกถึงอาหารที่ชอบวิ่งขึ้นอันทีเลยใช่ไหมแมอันนั้นรสชาติมันอร่อยมันถูกปากใช่ไหม หรือของที่จะช้อปปิ้งใช่ไหมหรือของที่เราเคยดูทีวีมาของที่ชอบใจนึกหรือเราเ ล, ะ ล, ะลกอย่างนี้เป็นมิจฉาสติหมดเลยนะอา้าวลองไปดูซิของเรามีสติไหมมี่แต่เป็นมิจฉาหรือสัมมานะอา้าวอันนี้อย่างแรกนะพอแยกออกนะพวกมิจฉาสติการนึกหรือระลึกในสิ่งที่ไม่ดีงามเนี่ยเป็นมิจฉาสติการนึกหรือเระลึกโดยตัวของมันเองนั้นเป็นกลาง แต่เมื่อไหร่ก็ตามไปนึกหรือระลึกในทางที่ไม่ดีขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยอันนั้นเราจะเรียกเป็นมิจฉาสติทันทีเลยแล้วสัมมาสติเป็นอย่างไรสัมมาสตินั้นก็คืออาการนึกหรือระลึกในสิ่งที่ดีงามหรือการนึกหรือระลึกหรือการจับภาวะสังเกตภาวะได้ตรงตามสภาพตามความเป็นจริงเอายกตัวอย่างอย่างง่ายๆเอาในชีวิตประจําวันก่อนอย่าโยมเดินไปเนี่ยเห็นมด ยมจะเหยียบมดยมนึกได้อืผิดศีลอาการนึกหรือระลึกอย่างนี้ดีงามไหมนั่นแหละเป็นสัมมาสติอย่างหนึง่งะโอ้ไม่ได้อันนี้ผิดศีลการนึกหรือระลึกอย่างนี้ในแง่ของการใช้ตาหูจมูกลิ้นกายเรารู้ว่าเอสิ่งนี้ไม่ดีไม่ควรดูเรานึกหรือระลึกได้อย่างนี้ก็เป็นสติในทางที่ดีงามเป็นสติที่เป็นไปในทางสัมมาสติ แต่ยังไม่ใช่สมาสติอย่างที่อย่างที่ตรงตามสภาพหรืออย่างที่ใช้ในขั้นในขั้นสูงนะแล้วสติที่คอยจับคอยนึกคอยระลึกอย่างนี้แหะท่านจัดว่าเป็นสติที่เป็นไปในทางที่ดีงามการนึกหรือระลึกในทางที่ดีงามเหล่านี้จะพูดอะไรออกไปเป็นยังไงคิดก่อนนึกก่อนสิ่งที่เราพูดนั้นจะดีหรือไม่ดีนะสติเป็นตัวคอยนึกหรือระลึก จากนั้นปัญญาจะต้องเป็นตัวพิจารณาคอยตัดสินไปดึงเอาความรู้สติไปดึงเอาความรู้หรือปัญญานั้นมาใช้งานมาใช้ในการตัดสินว่าสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราทำนั้นจะดีหรือไม่ดีการรับรู้ผ่านทางต า, งางหูจมูกลิ้นกายในขณะนั้นดีหรือไม่ดีเกื้อกูลหรือไม่เกื้อกูลอย่างนี้เป็นต้นอันนี้โยมจะได้เห็นในชีวิตประจําวันของเรานีอันนี้เป็นเรื่องของอะไรเอ่ยเป็นเรื่องของพฤติกรรมการพูดการกระทำต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ถ้าเราคอยนึกคอยรึกเอาไว้จําได้อย่างนี้นึกได้โดยที่เรามีความรู้ในการนึกเขึ้นมาเทียบเทียงด้วยสิ่งที่ไม่ดีเราจะไม่ทําใช่ไหมสิ่งที่ดีเราจะทําได้แล้วความเกื้อกูในแง่ของสิ่งแวดล้อมและสังคมก็จะเกิดขึ้นการรับรู้โลกเราก็จะรับรู้แต่ในสิ่งที่ดีงามเข้ามาอยากเป็นอาการอย่างหนึ่งของสตินะการรับรู้ต่างๆหูจับหูรินกายมีความสํารวมระมัดระวงังรู้จักเลือกที่จะรับ รับมาอย่างพอเหมาะพอดีให้เกิดประโยชน์ในสติจะเป็นตัวทํางานอย่างที่สองในด้านจิตใจคอยนึกหรือคอยระลึกในสิ่งที่ดีงามเอาไว้ในด้านของจิตใจนะภาวะจิตที่ดีงามมีเมตตามีความเรื่มใ ส, ส่ศรัทธานะแต่ปัจจุบันเนี่ยเราคอยนึกไหมในสิ่งที่ดีงามนะลองสังเกตดู ง, ง่ายๆนั่งอยู่เฉยๆส่วนใหญ่ชอบคิดเรื่องอะไรอนะแล้วลองถามซิจําได้แม่นไหมเรื่องนั้น แล้วเป็นไปในทางที่ดีงามเกื้อกูลหรือไม่ไมใช่ตัดสินใจเอาเองนะถ้านั่งอยู่เฉยๆเรื่องหนังเรื่องละครเรื่องสนุกขึ้นเราลึกขึ้นมาได้นึกถึงเรื่องนั้นสัมมาหรือมิจฉาสติมิจฉาใช่ไหมอาการนึกอย่างนั้นเป็นมิจฉาสติใช่ไหมหรือบางคนนั่งอยู่เฉยๆไอ้คนนั้นไม่ดีอย่างนั้นไอ้คนนี้ไม่ดีอย่างนี้ขึ้นมาเต็มไปหมดเลยสัมมาหรือมิจฉามิจฉาสตินะ นั่งอยู่เรานึกถึงโอ้เราได้พร ะ, ระพุทธศาสนาดีจังเลยหรือเรานึกถึงสิ่งที่ดีงามนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์นึกถึงจิตใจที่ดีงามหรือคุณงามความดีที่เราได้ทําการนึกหรือเราเลิกอย่างนี้เป็นสัมมารหรือไม่ฉาสัมมานะเอา้าวสองอย่างแรกกับอย่างหลังนิยมเป็นยังไงมากกว่ากันนะนยมทําอะไรบ่อยจิตใจมันก็จะคุ้นเคยแล้วก็เสพคุณกับเรื่องนั้น พอเสร็จพุ่นกับเรื่องนั้นอยู่เฉยๆแ่มันก็จะขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นถ้าใครนั่งอยู่เฉยๆอยู่คนเดียวแล้วมีแต่เรื่องดีผุดขึ้นมาเรื่อยๆนะเตรียมตัวได้เลยนะนะอนาคตไปสวรรค์แน่ๆใช่ไหมมีแนวโน้มสูงนะว่าตายไปเราไปสู่สุคติโลกสวรรค์แน่ๆนอนหลับอยู่ก็หลับก็นึกแต่ดีสิ่งที่ดีงามฝันั้งสิ่งที่ดีงาม แต่ถ้านั่งอยู่คนเดียวเฉยๆหรือตอนนั่งเพลินๆขึ้นหลับครึ่งตื่นมีแต่สิ่งที่ไม่ดีผุดขึ้นไอ้นั่นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ได้ดังใจไอ้นั่นก็ชอบใจไอ้นั่นก็ไม่ชอบใจมีแต่โลกพวกนี้ผุดขึ้นมาเป็นยังไงเอ่ยอนาคตแนวโน้มเอาคิดเอาเองนแล้วกันเดี๋ยวจะว่าพระแช่งนะแล้วจิตใต้สำนึกของเรามันผุดขึ้นมามันคอยไปนึกหรือคอยไปจับถ้าคอยแต่ไปจับเรื่องที่ไม่ดีขึ้นมาให้ระวังตัวเอาไว้ เราต้องฝึกนะนี่ในด้านของจิตใจนะด้านของจิตใจที่ให้มาฝึกกรรมาฐานกันว่าจะได้ฝึกในการคอยนึกหรือระลึกถึงสิ่งที่ดีงามให้มันติดให้มันเคยชินจนกลายเป็นนิสยัยใจเรา ไ, ได้อยู่กับสิ่งที่ดีงามนะอันนี้ในอันนี้ในฝ่ายของจิตใจนะเห็นว่าสติมันจะเป็นตัวคุมคอยเป็นตัวคอยกํากับเลยใช่ไหมแล้วสูงไปกว่านั้นในฝ่ายของปัญญานะ ในฝ่ายกั้งของปัญญาก็คือการคอยนึกคอยระลึกสังเกตสิ่งต่างๆให้ได้ตามสภาพตามภาวะตามความเป็นจริงที่มันเป็นซึ่งตรงนี้ท่านจะเอามาใช้ในความหมายของสมาสตินะท่านก็บอกว่าได้แก่สติที่คอยนึกหรือระลึกถึงอาการภาวะทางรูปธรรมหรือทางกายตามสภาพตามภาวะที่มันเป็นเอาภาวะที่มันเป็นเป็นอย่างไร น, นะสิ่งที่เรากําลังมองเห็นโดยแท้จริงแล้วเป็นเพียงแค่อะไรเอ่ย สีต่างๆที่กําลังเปลี่ยนใช่ไหมอันนี้คือความจริงแต่ที่เราไปนึกว่าเป็นคนสัตว์บุคคลเรา่าวนั้นเพราะว่าอะไรใจเราไปคิดไปปรุงแต่งตามความเคยชินใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นภาวะโดยธรรมชาติเป็นอย่างไร <c oughs> พยายามนึกถึงภาวะอย่างนั้นตามสภาพตามภาวะของมันอ้าวมันก็แค่สีกำลังเปลี่ยนสีกําลังเกิดเปลี่ยนแปลงแล้วกระดับไป นั่นไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงนะไม่ปล่อยใจให้เข้าไปกระทบด้วยความชอบหรือไม่ชอบไม่เข้าไปยึดมั่นกับภาวะเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นแสงสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือแม้กระทั่งร่างกายของเราซึ่งมันมีอาการปิดสภาพไปตลอดอาการที่ตั้งสติระลึกตามสภาพตามภาวะโดยถ้ามีมิเข้าไปจับตามความชอบใจไม่ชอบใจอย่างนี้ท่านเรียกว่าอาการของสัมมาสติ ภาษาธรรมะท่านก็จะบอกลักษณะอาการอย่างนี้ว่าเป็นเรื่องของการพิจารณากายานุปัสสนาสติปัฏฐานนั่นเองเพราะสติที่เป็นไปในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนั่นแหละคือสมมาสติอาการภาวะเป็นยังไงจับมันตามอาการตามภาวะเห็นตามอาการตามภาวะของมันไม่ปล่อยไปตามความเคยชินไม่ปล่อยไปตามความชอบใจไม่ชอบใจ สามารถนึกหรือระลึกได้ตามสภาพตามภาวะก็จะทําให้เราเห็นความจริงใจที่เข้าไปเกาะเกี่ยวนะเมื่อมีปัญญาพิจารณาประกอบด้วยก็จะเห็นว่าความจริงมันเป็นอยู่แค่นี้เราจะเข้าไปชอบใจไม่ชอบใจมันทําไมไปถูกกระทบกับมันทําไมมันก็จะวางออกมาได้นะอย่างที่สองนึกหรือระลึกถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นตามสภาพตามภาวะตามความเป็นจริงเป็นยังไงเอ่ยเดี๋ยวความสุขเข้ามาความสุขมากขึ้นลดลงหายไปกลายเป็นความรู้สึกเฉย แล้วก็บางทีก็กลายเป็นความรู้สึกทุกข์กมากทุกข์ลดลงกลายเป็นเฉยแล้วก็สุขใหม่แล้วก็สลับกันไปอยู่อย่างนี้เป็นอาการภาวะที่ไม่ได้ยั่งยืนเลยนั่นคือความจริงใช่ไหมภาวะเหล่านี้เข้ามากระทบหรือเกิดขึ้นในใจอย่างไรเราก็ทําหน้าที่นึกหรือะระลึกดูอาการมันไปตามสภาพตามภาวะโดยไม่วิ่งเข้าไปจับมา ปกติเป็นยังไงเอ่ยคนเราถ้าความทุกข์เกิดขึ้นเป็นยังไงรีบผลักทันทีเลยใช่ไหมไม่อยากให้เกิดอยากให้มันหายไปไวเป็นไหมนั่งอยู่อ้าวพระบอกว่านะให้พิจารณาดูนะสิ่งต่างๆมันเป็นอนิจจังเกิดขึ้นแล้วก็หายทําไมปวดขามันไม่หายชั่ทีเมื่อไหร่มันจะหาย <c oughs> พออย่างนี้ถ้าเกิดอะไรขึ้นเอ่ยยิ่งอึดอาดยิ่งทุกข์ใช่ไหมพอยิ่งทุกข์แล้วก็ยิ่งเร่งใหญ่จะให้มันหายนะอาการอย่างนั้นเรียกว่าอาการที่เราเข้าไปจับแล้ว ถ้าเป็นความสุขเป็นยังไงแหมวันนี้ทําได้ดีมีความสุขจังไม่อยากไม่อยากเลิกนั่งเลยติดแล้วข้อนี้นะบางทีหน้าที่การงานก็ไม่อยากไปทําอย่างนี้เป็นต้นถ้าอาการอย่างนี้เราเรียกว่าอาการติดหรืออาการยึดอยู่กับความรู้สึกหรือเวทนาท่านบอกว่าให้สังเกตมั้อาการภาวะเป็นยังไงก็ดูมันไปตามสภาพนะ่ะลองสังเกตละเอียดละเอียดเราจะเห็นอาการของมันที่เปลี่ยนไปตลอดแต่ไม่ใช่เปลี่ยนไปในทางที่เราอยากจะให้มันเป็นนะเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัย มันเป็นอย่างนั้นอาการนึกหรือระลึกถึงภาวะนี้ให้ได้ตามสภาพตามภาวะตามความเป็นจริงอย่างนี้นี่แหละเราเรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานความรู้สึกเป็นยังไงดูอาการก็ไปนะเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนของมันไปเรื่อยๆนั่นแหละนะยิ่งใจเราสงบสามารถสังเกตได้ละเอียดมากแค่ไหนเราก็จะเห็นอาการเปลี่ยนแปลงของมันไปเรื่อยๆได้มากขึ้นแค่นั้นนะเอาอย่างที่สาม ก็คือสติที่เป็นไปในการระลึกถึงสภาพรู้หรือภาวะรับรู้ตามสภาพตามความเป็นจริงอาการรู้หรือภาวะรู้ในที่นี้ภาษาธรรมเราเรียกว่าจิตหรือวิญญาณขาคารนั่นเองสภาพรู้หรือภาวะรู้เป็นยังไงยมลองสังเกตก็แล้กันในขณะที่ยมนั่งอยู่แบบนี้เนี่ยอาการรู้หรือการรับรู้ของยมจะเปลี่ยนอยู่ตลอดใช่ไหมใช่เดี๋ยวรับรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเสียงที่เข้ามาในการรับรู้แต่ละครั้งก็เปลี่ยนอยู่ตลอดใช่ไม่ใช่ มีเสียงอะไรที่โยมกําลังรับรู้ได้เป็นเสียงเดียวกันตลอดไหมไม่มีอาการรู้เสียงของโยมก็เปลี่ยนอยู่ตลอดเช่นเดียวกันท่านก็บอกให้มาสังเกตนะตั้งส ต, ติในการสังเกตภาวะรับรู้พวกนี้ที่เกิดขึ้นซึ่งเกิดดับเร็วมากนะภาวะรู้เหล่านี้มีอาการเปลี่ยนสภาพไปตลอดไม่เคยอยู่คงที่ใจไม่เข้าไปเกาะเกี่ยวแล้วก็วางมันออกมาได้เราเรียกว่าจิตตาตุปัสนาสติปัฐานนะสติที่เป็นไปใน จิตตาทุัสนาสติปฐานนี่แหละเป็นสมาสติและประการสุดท้ายสังเกตถึงอาการคิดอาการปรุงแต่งจิตของเรารวมถึงภาวะธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงตามสภาพตามความเป็นจริงอาการคิดของเรามันเปลี่ยนอยู่สภาพอยู่ตลอดอย่าไปจับยึดเป็นตัวของเราสังเกตมันให้ได้ตามภาวะของมันมันมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปเกิดขึ้นเปลี่ยนสภาพแล้วก็ดับไปอาการมันเป็นอย่างนั้นไปตลอดภาษาธรรมะเราเรียกว่าธรรมานุปัสนาสติปฐาน สติที่เป็นไปในสติปทานสนี่เีแหละท่านเรียกว่าสัมมาสติคืออาการนึกหรืออาการระลึกตามสภาพตามภาวะที่มันเป็นโดยที่ไม่ปล่อยให้ความเคยชินความชอบใจไม่ชอบใจของเราเข้าไปจับเข้าไปแปลความฟังง่ายนะแต่ว่าทำยากมันต้องฝืนจิตใต้สำนึกของเราเองพวกนี้จริงต้องฝึกไงนะที่เรามาเนี่ยจริง การปฏิบัติหรือการฝึกจริงเป็นสิ่งที่จําเป็นะฟังเข้าใจอย่างเดียวนี่ยังไม่พอเข้าใจนะอ้าวสัมมาสติมีคําถามไม่เอ่ย <c oughs> เดี๋ยวรายละเอียดจะไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะในในช่วงของการปฏิบัติในขั้นของวิปัสสนาอ่าไม่มีคําถามนะโยมจะได้เข้าใจเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดสติที่อยู่ในชีวิตประจําวันในการคอยกํากับ ในการรับรู้โลกผ่นทางๆหูจมูกิ้นกายสติที่คอยกำกับก่อนที่เราจะพูดก่อนที่จะทำอะไรออกไปอนะย่างน้อยที่สุดโยมต้องให้ได้ในระดับนี้ในระดับนี้ก็คือเอาสติมาใช้ในระดับของสีนั่นเองนึกเสียก่อนคิดก่อนพูดอย่าไปพูดก่อนคิดแม้พูดไปแล้วให้กลับมาคิดด้วย คิดและไตรตรองด้วยนะคิดและไตรตรองด้วยถึงสิ่งที่พูดถ้าทำอย่างนี้ได้นะเหมือนกันกับการกระทำทำให้เหมือนกับการพูดคิดก่อนทำนะทำแล้วเอามาคิดไตรตรองด้วยสิ่งที่ทำนั้นดีหรือไม่ดีนะทำแล้วคิดด้วยนะคิดให้ดีแล้วจิงค่อยทำออกไปนะอย่าไปทำโดยที่เราไม่คิด ตั้งสติคิดให้ดีก่อนไตรตรองให้ดีก่อนในการรับรู้โลกก็เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นตัวคอยกำกับทําให้เราอยู่กับสิ่งที่ดีงามเพราะฉะนั้นสติกับวิริยะนี่ก็จะมาเสริมซึ่งกันและกันใช่ไหมสตินึกหรือระล็กได้สิ่งนี้ควรทําวิริยะก็จะทําหน้าที่อะไรเอ่ยทําหน้าที่เป็นกําลังหนุนเลยใช่ไหมเป็นกำลังให้ทําสิ่งนั้นให้ได้ถ้ามีแต่สติไม่มีวิริยะนะ เป็นยังไงเอ่ยรู้ไหมว่าสิ่งใดไม่ดีรู้ดูหนังดีไหมไม่ดีผิดศีลฆ่าสัตว์ดีไหมไม่ดีผิดศีลแต่ยุงกัดก็ยังตบอยู่เมื่อที่เห็นมันกัดอยู่อย่างเงี้ยเห็นมดอยู่อย่างเงี้ยไม่ให้มันน่ารำคาญจริงๆริงเออแต่ค่าสัตว์มันไม่ดีต้องการสู้กันสองตัวนี้ใช่ไหมแต่ถ้าไม่มีความเพียรกําลังใจไม่พอเป็นยังไงมันก็จะเผลอแล้วมันก็จะไปทํำเนี่ยอาการที่มักจะเป็นกันนะ บางทีก็เขาก็มีเขียนเป็นแบบคาพูดติดตลกนะรู้หมดนะเอาอะไรดีหรือไม่ดีแต่ไม่ทำรู้อย่างนี้ไม่พอนะมันมันต้องมีกําลังใจที่จะทำมีความมุ่งมั่นมีความแน่วแน่ที่จะทำด้วยนะหรือเด็กๆ เ, เป็นยังไงเอ่ยใกล้สอบรู้ไหมรู้ไม่ว่าจะต้องอ่านหนังสือวันนี้รู้อ่านไหมขี้เกียจถามว่าอันนี้เราเลึกได้ไหม นึกได้รละลึกได้ทำไมจะระลึกไม่ได้ล่ะแต่สิ่งที่ขาดคือวิริยะไม่มีพอวิริยะไม่มีก็ทำไม่ได้อ้าวว่าไงเอ่ยอเจริญพรอสติกสัมปชัญญะปกติจะต้องใช้คู่กัน ส, ญญสญญติจะมีหน้าที่จับนึกหรือระลึกเท่านั้นแต่สัมปชัญญะในที่นี้คือตัวปัญญานั่นเอง ปัญญาในที่นี้จะทําหน้าที่คอยพิจารณาเป็นตัวตัดสินในสิ่งที่เรานึกหรือเลึกนั้นว่าดีหรือไม่ดีสติเป็นตัวคอยดึงความรู้มาเทียบเคียงแต่ปัญญาเนี่ยจะเป็นตัวตัดสินเพญาะัสามปัญญะเนี่ยท่านก็จะแบ่งออกนะเป็นเรื่องของปัญญาที่ใช้ในการตัดสินเนี่ยหนึ่งคือรู้ว่าสิ่งใดดีสิ่งใ ด, ด, ง ไ, ดไม่ดี นี่เป็นสัมปชัญญะอย่างหนึ่งนะสิ่งได้ดีหรือสิ่งใดไม่ ด, ไดีสิ่งใดสิ่ง น, นั้นเป็นสิ่งที่เกื้อกูลหรือไม่เกื้อกูลอันนี้เป็นอย่างที่สองคือสติจับปุ๊บสัมปชัญญะหรือปัญญานี่จะเป็นตัวคอยตัดสินหนึ่งสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ถ้าตามตัวศัพท์ท่านจะใช้ว่าเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ นี่ลักษณะสัมปชัญญะใช่ไหมการที่จะตัดสินได้ว่าเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์นั้นสติทําหน้าที่ตัดสินไม่ได้เพราะสติมันทําหน้าที่เพียงแค่นึกหรือระลึกตัวตัดสินในที่นี้จะเป็นตัวสัมปชัญญะหรือปัญญานี่แหละจะเป็นตัวตัดสินความรู้ที่เราได้เรียนมาเนี่ยแหละสิ่งใดเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์สองสิ่งนั้นเกื้อกูลคือสัพพายะหรือไม่สัพพายักษ์เราเรียกว่าสัพพายะสัมปชัญญะ สิ่งนั้นเกื้อกูลหรือไม่เกื้อกูลนะเป็นประโยชน์กับเกื้อกูลนี่คนละอย่างกันใช่ไหมอา้าวการฝึกสมาธิเป็นประโยชน์ไหมเป็นประโยชน์อา้าวเรารู้ว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์สตินึกได้สัพพัญญะก็เป็นตัวตัดสินว่าเออการฝึกด้านจิตใจนี่เป็นประโยชน์อย่างที่สองแล้วสถานที่ยังไงจึงจะเกื้อกูลเนี่ยความรู้ว่า ภาวาอย่างไรจะเกื้อกูลในการทําสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลในสิ่งที่เรากําลังทําเนี่ยเป็นปัญญาอีกอย่างหนึ่ ง, งนี้เป็นปัญญาอย่างที่สองนะเกื้อกูลในที่นี้ไม่ใช่ตัวประโยชน์โดยตรงใช่ไหมเป็นตัวสนับสนุนตัวประโยชน์นั้นให้เกิดขึ้นแล้วก็ทําได้ดนะีอย่างที่สาม <c oughs> สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราควรเกี่ยวข้องหรือไม่ควรเกี่ยวข้องภาษาธรรมะท่านจะเรียกว่าโคจรสัมปัญญาหรือโคจรสัมปัญญา สิ่งนั้นเราควรเกี่ยวข้องไหมควรเกี่ยวข้องในแนวทางลักษณะอย่างไรนั้นอย่างโครจรสัพพัญญาเนี่ยท่านก็นบอกว่าได้แก่ค์ประกอบของชีวิตเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราพึงนึกหรือพึงะระลึกให้ได้ตามสภาพตามภาวะตามความเป็นจริงและเกี่ยวข้องมันได้ให้ได้ตามสภาพตามภาวะตามความเป็นจริงะพึงะระลึกอยู่เสมอว่าร่างกายประกอบด้วยรูปธรรมและนามธรรมานี้เท่านั้นเขาไป อันนี้เราพึงระลึกอยู่เสมอว่าร่างกายนี้ประกอบเพียงแค่รูปธรรมนามธรรมานี้ธทรานั้นอาการนึกหรือระลึกได้อย่างนี้แล้วก็สามารถตัดสินใจได้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เราควรเกี่ยวข้องเรียกว่าโครจรสัมปัชญะญและประการสุดท้ายประการที่สี่สัมโมหะสัมปัชญะญความรู้ที่ทําให้ไม่หลงคือหมายถึงอาการรู้ภาวะหรือสภาพที่กําลังปรากฏตามภาวะตามสภาพตามความเป็นจริง สติทำหน้าที่จับหรือระลึกสำปัญชายาก็ทำหน้าที่พิจารณาทำให้เห็นหรือระลึกได้ถึงภาวะหรือสภาพนั้นตามภาวะที่มันเป็นจริงๆหรือตามสภาพที่มันเป็นจริงๆเนี่ยขั้นของวิปัสสนาสำปัญชายาจะใช้ในส่วนนี้เยอะอ้ า, กากวกา ย, ยา ส, กาสักแต่ว่ากายเนี่ยเวทนาสักแต่ว่าเวทนาจิตสักแต่ว่าจิตธรรมสักแต่ว่าธรรมแค่องค์ประกอบเข้ามาประกอบกันเป็นผู้ที่ไม่เพลิดเพลินยินดีไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกนะ แล้วก็ปาสจากทิฐิว่านั่นเป็นตัวตนของเราเนี่ยอาการอย่างนงี้เป็นอาการของอสัมโมหัสัมปัญญาแยกออกนี้เอ่ยมันสติทำหน้าที่อย่างเดียวคือนึกระลึกมันสติจริงจัดอยู่ในฝ่ายของจิตใจแต่สัมปัญญานี้เป็นฝ่ายของพวกปัญญาเป็นพวกสัมมาทิฐิพวกสัมมาสังคปัเข้าใจนะพวกนี้ในการปฏิบัติเนี่ย การวิปัสสนาจะต้องใช้ไปด้วยกันหมดเลยคือมักมีองคศาต้องใช้ทั้งหมดเลยต้องใช้ทั้งหมดต้องมีสติและมีสัมปัชัญญามีสมาธิมีวิริยะรวมไปถึงมีในเรื่องของศีลด้วยต้องใช้ทั้งหมดเลยใช้แค่ตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้ก็อย่างที่บอก่ารนึกหรือระลึกได้เนี่ยแต่ขาดวิริยะมันก็ไม่ทำใช่ไหมแล้วมันก็จะแพ้ ขาดปัญญามันนึกได้แต่ตัดสินไม่ได้เออรู้ว่าอาการนี้กำลังเกิดขึ้นเนี่ยแต่จะทำอะไรกับอาการนี้ดีตัดสินไม่ได้นี่ก็คือขาดอะไรเอ่ยขาดปัญญานึกหรือรู้นึกได้แต่ถ้าไม่รู้จักพิจารณาแง่มุมต่างๆเราก็จะไม่เห็นความจริงอันนี้มันก็ต้องใช้สังกับปะเข้ามาประกอบใช่ไหม เป็นพวกเดียวกันเป็นพวกเดียวกับสมมมาทิฏฐิเลยสัมปชัญญะในที่นี้สัมปชัญญะนั้นเป็นชื่อหนึ่งของปัญญาแต่ว่ายังไม่ใช่ปัญญาในขั้นที่สูงปกติสติสัมปชัญญะนี้ท่านจะเอามาใช้ในขั้นต้นๆแต่จริงๆสัมปชัญญะถ้าเป็นอสัมโมหะสัมปชัญญะเนี่ยจะเป็นพวกสัมมาทิฏฐิเลยจเจริญพร <c oughs> มักต้องมีในขณะที่ปฏิบัตินั้นแล้วแต่นะอาจจะครบหรือไม่ครบก็ได้นะแต่ถ้าปฏิบัติได้ถูกต้องจะมีมักแปดนี้อยู่ตลอดนะความสำรวมระมัดระวัง เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวอาตมาอธิบายอีกทีกันแล้วกันในเรื่องของมรรคมีองแปดเดี๋ยวให้จบถึงสมาสมาธิก่อนนะเจริญพรอ้าวนะเจริญพรอ้าวตัวสุดท้ายตัวที่แปดคือสมาสมาธิสมาสมาธินี้เป็นอย่างไรนะอ้าวก่อนอื่นมาเข้าใจความหมายของคําว่าสมาธิก่อนสมาธิคืออะไรสมาธิก็คือสภาพจิตที่สงบตั้งมั่นไม่ซัดสายไม่ฟุ้งซ่าน หรือเป็นภาวะจิตที่รับรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องเดียวอยู่ได้ตลอดนี่อาการของสมาธิเพราวะว่าจิตที่ไม่สัดสายไม่ฟุ้งซ่านสงบตั้งมั่นผ่องใสรับรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องเดียวได้ตลอดนี่คืออาการของสมาธินี่สมาธิเวลาเกิดขึ้นนิยมลองสังเกตถ้าสมาธิเกิดขึ้นเนี่ยจะมีลักษณะ4อย่างนี้เกิดขึ้นด้วย อ้วลักษณะสี่อย่างมีอะไรบ้างอันนี้โยมต้องจํานะอันนี้โยมต้องจําบอกไว้เลยนะลักษณะสี่อย่างของจิตที่สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิก็คือหนึ่งเป็นสภาพจิตที่เข้มแข็งมีกําลังเพราะฉะนั้นถ้าโยมฝึกสมาธิได้ถูกต้องโยมจะรู้สึกตื่นตัวไม่ง่วงนะมันจะตื่นตัวไม่ง่วงจิตใจรู้สึกมีกําลังนะะถ้าอย่างนี้แสดงว่าจิตเป็นสมาธิละ อาการที่จิตเป็นสมาธิจะต้องมีลักษณะอย่างที่หนึ่งอย่างนี้สมัยก่อนท่านก็จะอุปมาเอาไว้นะเปรียบเหมือนเราเอาเลนนูนไปรวมแสงเป็นยังไงเอ่ยแสงอาทิตย์เราเดินปกติก็ร้อนเพียงแค่นี้ใช่ไหมแต่พอเอาเลนนูนไปรวมเข้าเป็นยังไงเอ่ยเผาได้เลยใช่ไหมเผาได้เลยชั้นใดก็ฉันนั้นนะจิตโดยปกติมันซัดสาย ม, มันจึงไม่มีกำลังแต่เมื่อไหร่ก็ตามสามารถรวมสงบตั้งมั่นเพ่งอยู่ไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ จิตมันจะมีกำลังสูงมีกำลังมากตอนนั้นเนี่ยจะเอามาใช้ทำงานทำหน้าที่การงานอะไรเนี่ยจะสามารถเอามาใช้ทำหน้าที่การงานได้ดีนะอันนี้นอย่างแรกก็คือเข้มแข็งมีกำลังนะเพราะฉะนั้นสังเกตนั่งแล้วถ้าเราสงบเป็นสมาธิจะมีลักษณะตื่นตัวเข้มแข็งมีกำลังนะอย่างที่สองเป็นสภาพจิตที่สงบราบเรียบ สงบราบเรียบอย่างไรนะขาอุปมาอย่างนี้เหมือนโยมขับรถบนถนนที่เรียบในขณะที่โยมขับรถอยู่บนถนนที่เรียบเป็นยังไงมันไม่กระเทือนเลยใช่ไหมชันใดก็ฉันนั้นถ้าจิตโยมสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิเมื่อโยมกําหนดไปที่อารมณ์กรรมฐานหรือวัตถุที่เราใช้กําหนดพอกําหนดปึ้งใจมันไม่คิดต่ อ, อสู่เรื่องอื่นเลย เหมือนรถที่มันวิ่งอยู่บนถนนที่เรียบ่เดินเรียกนิ่งอยู่กับอารมณ์กรรมฐานนั้นไปตลอดอาการอย่างนี้เราก็เรียกว่าเป็นอาการอย่างหนึ่งของสมาธิเป็นลักษณะอย่างหนึ่งถ้าจิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิอาการแบบนี้จะเกิดขึ้นนะหรืออุปมาอย่างสมัยก่อนท่านก็จะเปรียบเทียบว่าเหมือนน้ําที่ไม่มีระลอกคลื่นเคยเห็นน้ําในแก้วน้ํำไหมมันนิ่งเป็นเส้นตรงเลยใช่ไหมนั่นแหละจิตใจของเราก็เหมือนกัน กำหนดอารมณ์กรรมาฐานเสร็จปุ๊บมันก็ น, นิ่งเรียบอยู่อย่างนั้นเลยแต่พวกเราเวลาฝึกใหม่ๆเป็นยังไงเอ่ยนิ่งอย่างนั้นไหมไม่ อ, อะเนาะมันยิ่งกว่าคลื่นในทะเลตอนมีพายุอีกกระแทกไปเดี๋ยวไปซ้ายทีไปขวาทีใช่ไหมมันถึงจะต้องฝึกขึ้นมาเงี้ยอันะนั้นลักษณะอย่างที่สองก็คือสภาพจิตที่สงบราบเรียบนะประการที่สาม เป็นจิตที่ใสกระจ่างใสกระจ่างรู้สึกได้ชัดมองเห็นได้ชัดอ้าวเป็นยังไงอาการจิตที่ใสกระจ่างรู้สึกได้ชัดมองเห็นได้ชัดเคยไปเที่ยวทะเลทางแถบพันดามันไม่เอ่ยเป็นยังไงเวลาเอาสแนปเกลิาลาบลงไปแต่กับน้ามองเห็นหมดเลยนะเห็นประการังเห็นปลากาลระตูนปลาเทวดาเยอะแยะเยะต็มไปหมดเลยใช่ไหมนั่นแหละ ชันใดก็ฉันนั้นเวลาจิตใจเราสงบเราสังเกตไปที่อารมณ์กรรมาฐานใดอารมณ์กรรมาฐานนั้นปรากฏชัดอยู่ตลอดอย่างคนที่ฝึกอนาปานสติช่วงแรกๆลมหายใจบางทีไม่ค่อยรู้สึกแต่พอฝึกไปฝึกไปจิตเริ่มสงบนะมันรู้สึกหมดเลยลมหายใจเข้ามากระทบที่ตรงจุดไหนร้อนหรือเย็นตรงไหนแรงตรงไหนเบาผ่านตรงไหนบ้างมันจะได้ละเอียดอย่างนั้นเลย หรือคนที่ฝึกในเรื่องของยุบพองแรกๆยุบพองจับไม่ค่อยได้แต่พอจิตสงบแนละ้วเป็นยังไงกล้ามเนื้อตรงไหนมันเกร็งมันบีบมันคลายยังไงในขณะที่ท้องมันยุบหรือท้องมันพองมันจะรู้สึกได้หมดเลยถ้าละเอียดไปมากกว่านั้นในฝ่ายกายนะรู้สึกได้แม้กระทั่งเลือดไหลในตัวหรือชีพจรที่มันเต้นตามร่างกายหรือแม้กระทั่งที่ปลายนิ้วนะอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องอิทธิฤทธิ์อะไรนะใครฝึกก็ได้อ่ะเพราะว่าฝึกแล้ว สามารถสังเกตได้กันทุกคนแหละนะถ้าฝึกกันอย่างจริงจังแลวจิตสงบนะตรงนี้เป็นอยู่ในขอบเขต ท, ที่พวกเราทําได้กันหมดไม่ใช่เรื่องที่เกินเลยจากความจริงเลยอยู่ที่การฝึกของเราเท่านั้นนะเนี่ยเป็นเพราะว่าอะไรมนถึงรับรู้ได้ละเอียดอย่างนั้นเพราะว่าจิตมันสงบเนี่ยมันจึงใสเพราะจิตมันใสมันจะรับรู้ทางอวยวะนะคือทางช่องทางรับรู้ทางระบบประสาทต่างๆได้ชัดมาก ชัดมากกว่านั้นนามธรรมา ท, ที่มันกําลังเกิดขึ้นกําลังเปลี่ยนแปลงจะชัดไปตลอดเลยรับรู้ได้อย่างละเอียดถึงนามธรรมา ท, ที่มันกําลังเกิดตัำหรือกําลังเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนสภาพไปนี่เป็นเรื่องของสมาธินั้นคุณสมบัติในข้อเนี้ยก็คือความใสกระจ่างอาการที่สามารถรับรู้ได้ละเอียดรับรู้ได้เร็วของจิตอย่างเนี้ยจะเป็นอาการที่เราจะเอาไปใช้ต่อในขั้นของวิปัสสนาเข้าใจนะ นะเข้าไปเจริญทรอนอธิบายให้ฟังแล้วเมื่อกี้ยังไงยมลืมแล้ว ที่ว่ามีกำลังเข้มแข็งก็หมายถึงมีอาการตื่นตัวไม่ง่วงนอนไม่เสื่อมซึมนะนอกจากนั้นแล้วเมื่อจะมุ่งไปที่สิ่งใดมันจะสามารถมุ่งไปที่สิ่งนั้นได้นะมุ่งไปที่สิ่งนั้นได้เนี่ยอาการที่เราเรียกว่ามีกำลังหรือว่าเข้มแข็งเข้าใจน ะ, จะเจนิมพ์เอนะอาการถัดมาเป็นจิตที่นุ่มนวลเหมาะแก่การใช้งาน เป็นยังไงเอ่ยนุ่มนวลเห ม, ม, มาะแก่การใช้งานอาการของมันก็คือเหมือนกับดินที่เราผสมดีแล้วดินที่ผสมดีแล้วเป็นยังไงเราจะสามารถเอามาปั้นเอามาขึ้นรูปเป็นรูปร่างต่างๆได้อย่างที่ใจเราต้องการใช่ไหมใชนะ่หรือสีที่เราผสมดีแล้วเนี่ยพอเอามาระบายหรือเอามาวาเป็นยังไงมันจะออกมาดีเลยใช่ ม, มีความเข้มพอเหมาะอย่างนี้เป็นต้น จิตที่สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิก็เช่นเดียวกันท่านบอกว่ามันจะมีลักษณะนุ่มนวลเหมาะกก่การใช้งานเราจะน้อมไปสู่เรื่องอะไรน้อมไปสู่เรื่องนั้นได้เลยแล้วอยู่กับเรื่องนั้นได้ตลอดเนี่ยลักษณะเป็นอย่างนั้นอา้าวถ้าเราจะพิจารณาเรื่องนี้น้อมไปสู่เรื่องนี้มันก็อยู่กับเรื่องนั้นแล้วไม่สัดสายไม่วิ่งออกไปสู่เรื่องอื่ น, นจิตสงบอยู่กับเรื่องนั้นได้สังเกต เ, เรื่องนั้นได้อย่างชัดเจนไปตลอด ลักษณะอย่างนี้ภาษาธรรมะเราเรียกว่ากรรมนิโยนะกรรมนิโยก็คือการเหมาะแก่การใช้งานหรือนุ่มนวลเหมาะแก่การใช้งานอ่านี่คือลักษณะสี่อย่างถ้าจิตเราสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิลักษณะสี่อย่างนี้จะเกิดขึ้นลักษณะสองอย่างหลังคือภาวะจิตที่ใสกระจ่างมองเห็นได้ชัดและนุ่มนวลเหมาะแก่การใช้งานสองอย่างนี้ คือคุณสมบัติที่ต้องการในฝ่ายของสมาธิที่จะเอาไปใช้ต่อในขั้นของวิปัสสนาเพราะวิปัสสนานั้นเราต้องมาสังเกตอาการหรือภาวะของชีวิตนี้อย่างละเอียดว่าสภาวะของชีวิตนี้มันมีอาการเกิดขึ้นเป็นสภาพไปอย่างไรโดยลักษณะธรรมชาติของมันเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นสมาธิตรงนี้จึงต้องใช้ถ้ามีสติแต่ไม่มีสมาธิเราจะไม่สามารถะระลึกหรือจับภาวะที่ละเอียดอย่างนี้ได้เลย โยมลองนั่งอยู่นี่โยมลองนึกซิตอนนี้ที่ปพจรโยมเต้นด้วยอาการอย่างไรกี่ครั้งต่อ น, นาทีนึกได้ไหมมีสติไหมตอนนี้พยายามนึกไหมแต่เห็นไหมว่าเนื่องจากจิตไม่ละเอียดพอสมาธิมันยังไม่มีแม้พยายามนึกหรือระลึกมันก็จับภาวะพวกนั้นไม่ได้ดังนั้นสมาธิเนี่ยจึงต้องใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สําคัญ ในมรคมีองแปดอ่าก็เป็นอันครบทั้งแปดตัวแล้วนะครบทั้งแปดตัวแล้วซึ่งในการปฏิบัติธรรมเราต้องพัฒนามรคทั้งแปดนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะในการปฏิบัติขั้นวิปัสสนาเราต้องใช้องค์ประกอบทั้งแปดอย่างนี้ไปด้วยกันใช้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้นะใช้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้มีแค่สีอย่างเดียวก็ไม่พอ มีเพียงแค่วิริยะความเพียนอย่างเดียวก็ไม่พอสติอย่างเดียวก็ไม่พอมีสมาธิอย่างเดียวก็ไม่พอนะเพราะนั้นมันจะต้องมีครบทั้งแปดอย่างอาการเป็นอย่างไรในขณะที่โยมปฏิบัตนะิอันนี้พูดเลยไปนิดหนึ่งนะสำหรับโยมมาใหม่ก็ฟังเอาไว้เป็นข้อมูลนะพอดีมีโยมถามประเด็นนี้ขึ้นมาในขณะที่เราปฏิบัตินั้นเจตนาของเราที่สำรวมระมัดระวงังในการสังเกต ร่างกายก็ดีเวทนาก็ดีจิตก็ดีธรรมก็ดีความสำรวมระมัดระวังอย่างเนี้ยเป็นตัวศีลคือเจตนาของเราในการที่จะพิจารณาในการสำรวมในการพิจารณาเจตนาของเราในการสำรวมที่จะบอกให้ตัวเราพิจารณาหรือสื่อสารกับตัวเราให้ใจให้พิจารณาหรือเจตนาของเราในการที่จะใช้สิ่งที่กําลังกรากรดอยู่อย่างถูกต้องอย่างดีงามเนี่ยสัมมากัมมันตาวาจาอาชีวะละ อาการของเราที่คอยเพียรพยายามในการสํารวมเพียรพยายามในการพิจารณานะั่นคือวายามะมันต้องให้ต่อนเนื่องใช่ไหมอาการนึกหรือระลึกถึงภาวะที่กาลังปรากฏนั่นคือสติจิตที่สงบนั่นคือสมาธนะิการพิจารณาการดูแง่มุมต่างๆว่าเกิดยังไงดับยังไงภาวะเป็นยังไงนี่คือกรมสัมมาสังกัปปะความรู้ที่เกิดขึ้น ทำให้รู้ภาวะนั้นตามสภาพตามความเป็นจริงนั่นแหละคือสัมมาทิฏฐิครบหรือยังครบแล้วนะต้องใช้ทั้งแปดอย่างนะเพราะฉะนั้นมรรคมีองค์แปดนี้ถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญทั้งแปดประการนะจะละเสียข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้สำคัญทั้งแปดประการเลยอ้าวนะคราว น, ะานี้เมื่อพูดถึงสมาธิขออธิบายต่ออีกที่นึง สมาธินี้ก็มีทั้งสัมมาสมาธิแล้วก็มิจฉาสมาธินะเอามิจฉาสมาธิก่อนเป็นยังไงก่อนอื่นจะขอแยกสมาธิออกเป็นระดับระดับที่แตกต่างกันออกไปนะท่านบอกว่าอย่างนี้สภาพสมาธินั้นก็ได้แก่สภาพจิตที่สงบตั้งมั่นผ่องใสไม่หวั่นไหวนะท่านก็บอกว่าได้แก่สมาธิที่เป็นไปใน รูปประชันขั้นที่หนึ่งสองสามสี่อย่างนี้เป็นต้นอาการสมาธิแบบนี้เนี่ยแหละคือสมาธิที่ต้องการแต่ว่าขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์สงบเพื่ออะไรถ้าเป็นมิจฉาสมาธิพวกนี้สงบมีความสุขก็จะติดอยู่กับความสุขแล้วก็หยุดอยู่แค่นั้นหรือสงบต้องการปฏิบัติสมาธิใจสงบจะได้เอาไปแสดงฤทธิ์ต่าง จะได้ลาบสักการะต่างๆสมาธิที่เป็นไปในรูปแบบแบบนี้นะหรือจะได้เห็นนั่นเห็นนี่จะได้ไปทัวรนโลกทัวร์สวรรค์พวกนี้เป็นไปในทางละกิเลสหรือเพิ่มพูนกิเลสเพิ่มพูนกิเลสนะพวกนี้ท่านบอกว่าเป็นวิฉาสมาธนะิเป็นวิฉาสมาธิแต่สมาธิที่สงบตั้งมั่นเป็นไปเพื่อการละกิเลส อาการสงบตั้งมั่นที่เราจะต้องเอาไปใช้ต่อในขั้นของวิปัสสนาถ้ารู้ว่าสงบตั้งมั่นขนาดนี้แล้วดีแล้วเราไม่หยุดอยู่แค่นี้เอาไปใช้ต่อใช้จิตที่สงบตั้งมั่นไม่ใช่ติดอยู่กับความสงบนิ่งแล้วก็ไม่ทําอะไรต่อจากนั้นเมื่อจิตสงบตั้งมั่นได้ในระดับหนึ่งรู้สึกได้ดีในระดับหนึ่งแล้วต่อจากนั้นเอาไปใช้ต่อเลยเอาวและเอาจิตที่สงบตั้งมั่นนี้มามาใช้งานต่อมาค่อยๆสังเกตเองประกอบของชีวิต จะได้เห็นว่าเราเข้าไปจับเข้าไปยึดเป็นตัวตนอย่างไรภาวะแบบนั้นเนี่ยเราจะวางมันออกไปได้อย่างไรสมาธิแบบนี้กลายเป็นสมาสมาธิทันทีแยกออกไม่เอ่ยถ้าพูดอย่างง่ายงายถ้าเราฝึกสมาธิหรือมีจิตสงบตั้งมัน่นที่เป็นไปเพื่อความเป็นตัวตนเป็นไปเพื่อเพิ่มพูนกิเลสเป็นไปเพื่อได้ฤทธ์ต่าง โดยที่ไม่ได้เอาไปใช้เพื่อการละ ก, กิเลสพวกนั้นเป็นมิจฉาสมาธิหมดแต่สมาธิอย่างเดียวกันเนี่ยได้รูปฌานขั้นที่หนึ่งสองสามสี่ดิ้งหรือถึงอรูปฌานแต่เราเอาสมาธินี้มาใช้ต่อในทางละ ก, กิเลสในการที่ให้เกิดความรู้ความเข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริงอาการอย่างนี้ก็จะกลายเป็นสัมมาสมาธิ มันตัวสมาธิของมันโดยปกติก็คืออาการจิต ท, ที่สงบตั้งมั่นเข้มแข็งมีกําลังผง่องใสส่วนจะเป็นสัมมารหรือมิจฉาอยู่ที่อะไรเอ่ยเจตนาของเรานะตรงนี้เป็นตัวที่สําคัญเหมือนสติอ่ะโดยตัวของมันเองก็เป็นกลางๆคือการนึกหรือการระลึกแต่ถ้าเอานึกไปในเรื่องที่ไม่ดีกลายเป็นมิจฉาทันทีแต่ถ้าเอาการนึกหรือระลึกนั้นเป็นนึกหรือระลึกในเรื่องที่ดีทําให้เข้าถึงความจริงก็จะกลายเป็นสัมมา เพรนั้นตัวสัมมาทิฏฐิเนี่ยจะเป็นตัวกำกับไว้ตลอดเลยมั้นถ้ามีสัมมาทิฏฐิองค์มากที่เหลือทั้งเจ็ดนั้นเป็นสัมมาหมดแต่ถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิองค์มากทั้งเจ็ดที่เหลือเนี่ยก็กลายเป็นมิจฉาหมดเลยเข้าใจนะเั้นตรงนี้สำคัญนะตัวตั้งต้นตรงเนี้ยตัวสัมมาทิฏฐินี่จริงเป็นตัวสำคัญอ่ามีคำถามอะไรไหมเอ่ยในเรื่องของมรรคมองค์ปด ไม่มีน ะ, จะเจริญพรอถ้าไม่มีถ้าอย่างนั้นวันนี้อยากจะให้โยมลองเริ่มฝึกในฝ่ายของจิตใจด้วยนะเพราะว่าเราได้ฟังกันอย่างเดียวมาประมาณเดือนเศษแล้วนะก็เลยอยากจะให้โยมได้ฝึกในฝ่ายของจิตใจด้วยวันนี้อาจจะเกินเวลาสักนิดหนึ่งนะแต่ว่าอยากจะให้เป็นพื้นฐานไปก่อนเพราะได้พูดถึงมรรคมีองค์แปดครบแล้วนะก็อยากจะให้ฝึกในเรื่องของตัวกรรมาฐานเบื้องต้นเพราะนวันนี้จะให้โยมได้ลองฝึกในเรื่องของการฝึก ในฝ่ายของวิริยะสติและสมาธิเป็นหลักแต่ในขณะเดียวกันในเรื่องของศีลโยมก็จะได้ฝึกในตัวไปด้วยการฝึกในวันนี้จะเป็นการฝึกในฝ่ายของสมถกรรมาฐานอย่างที่จะสอนให้โยมเอาไปลองฝึกเอาไปลองปฏิบัติกันก่อนเพื่อให้จิตใจของโยมสงบตั้งมั่นพ่องสายเป็นหนึ่งเดียวแ ล, แล้วก็พร้อมที่จะใช้งาน แต่อย่าลืมนะต้องมีสมาธิทีตเป็นตัวคอยกำกับเอาไปใช้งานให้ถูกฝึกได้ดีแล้วเอาไปใช้ในทางที่ดีพยายามนึกถึงสิ่งที่ดีแล้วพยายามรักษาจิตใจให้อยู่ในภาวะที่ดีงามตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลกับตัวของโยมเองนะสิ่งที่จะให้โยมฝึกในวันนี้นะอาตมา ถ, ถือว่าทุกคนเริ่มต้นจากศูนย์ก็จะให้เริ่มฝึกจากกรรมฐานที่เป็นพื้นฐานมากๆเลยนะแล้วก็เป็นกรรมฐานที่เหมาะกับผู้ที่ฝึกใหม่ ก็จะให้โยมฝึกโดยการดูในเรื่องของอิริยาบถด้วยการเดินจงกรมหรือแม้แต่กระทั่งการเคลื่อนไหวร่างกายแต่ให้ใจสงบอยู่กับการเคลื่อนไหว <c oughs> หรือรูปร่างของร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปนะการฝึกอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งมันสมาธิคืออะไรอธิบายไปให้ฟังไปแล้วนะจําได้ไหมจําได้นะคืออะไรเอ่ยภาวะจิตที่ สงบตั้งมั่นไม่สันสายไม่งรงซานสมาธิเมื่อนขณะฝึกให้ลองสังเกตดูสภาพจิตต้องมีลักษณะสี่ประการเกิดขึ้นสี่ประการมีอะไรบ้างหนึ่งเข้มแข็งมีกำลังสองสงบนะสงบตั้งมั่นสามใสกระจ่างสี่นุ่มนวลเหมาะแก่การใช้งานอ้าวดีละนะในการฝึกนี้ก็นะ มีสับที่โยมจะต้องเข้าใจทําความเข้าใจกันนิดหนึ่งศัพท์อย่างแรกก็คือวัตถุที่เราจะใช้สังเกต์ยกตัวอย่างเช่นเวลาโยมฝึกอานาปนสติโยมสังเกตอะไรเอ่ยลมหายใจลมหายใจคือวัตถุที่โยมจะใช้สังเกตใช่ไหมหรือคนที่ฝึกโดยอาการยุบพองโยมก็ดูอาการยุบพ่องที่เกิดขึ้นอาการยุบพองนั้นก็คือวัตถุที่โยมใช้สําหรับสังเกต เข้าใจนะอันวัตถุตรงนี้ภาษาธรรมะจะใช้ชื่อว่าอารมณ์กรรมฐานคําว่าอารมณ์ในที่นี้จึงหมายถึงอ็อบเจกต์หรือวัตถุนะหรือสิ่งสิ่งที่เราจะสังเกตเพื่อเอามาฝึกไม่ใช่ฝึกแล้วอารมณ์กรรมฐานก็คือมีฝึกแล้วรู้สึกยังไงเกิดเห็นอะไรอันนั้นไม่ใช่นะนั้นอารมณ์กรรมฐานคือวัตถุหรือสิ่งที่เราใช้สังเกต อ้าสงสัยไม่ตรงนี้งั้นต่อไปเมื่ออาจารยพูดถึงอารมณ์กรรมฐานให้โยมเข้าใจนะงั้นในขณะที่โยมเคลื่อนไหวโยมดูรูปร่างของแขนหรือของขาที่กําลังเปลี่ยนอารมณ์ของกรรมฐานของโยมคืออะไรเอ่ยแขนขารูปร่างแขนขาที่กำลังเปลี่ยนใช่ไหมนั่นคืออารมณ์กรรมฐานเข้าใจนะอย่างที่สองหากการใจของโยมที่น้อมมา น้อมมาเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรากาลังทาเห็นถึงความสำคัญมีความเชื่อมั่นอาการอย่างนี้ภาษาธรรมะจะมีชื่อเรียกว่าศรัท ธ, ธาศรัท ธ, ธาความเลื่อมใสอาการน้อมใจมาความเชื่อมั่นอาการเห็นคุณค่ารู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีงามอาการอย่างนี้เรียกว่าศรัท ธ, ธา ตอนนี้ถ้าเราเห็นคุณค่ารู้สึกว่าเรากำลังทำสิ่งที่ดีงามยมจะรู้สึกยังไงเอ่ยเวลาปฏิบัติมีความสุขและอยากทำใช่ไหมอาการอย่างที่สามอาการที่เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจทำเพียรพยายามในการทำมีกำลังใจคอยเร้าคอยประคองจิตให้อยู่กับอารมณ์กรรมาฐานให้อยู่กับสิ่งที่ทำ มันเผยอออกไปสามารถดึงกลับได้โดยไม่ท้อถอยเลยไม่ระย่อไม่ท้อถอยออกไปร้อยครั้งดึงร้อยครั้งออกไปพันครั้งดึงพันครั้งมีกําลังใจใจสู้อาการอย่างนี้เป็นอาการของของอะไรเอ่ยวิริยะนั่นเองเข้าใจนะ <S <S <โด>เพราะฉะนั้นโยมฝึกใหม่เนี่ยลองสังเกตในบางทีเขาออกไปสักสิบครั้งยีิบครั้งชักทอ้อละ อะไรมันจะสงบทํามันไม่สงบนี่อาการขาดวิริยะนะเพราะฉะนั้นถ้ามาถามอาตมาอาตมาก็คงจะตอบโยมนะบอกไว้ก่อนเลยนะจะได้ไหมจะได้ทราบไว้ก่อนเลยนะว่าให้โยมมีความเพียรในการทําไปเรื่อยๆนะเพราะอาการอย่างนั้นก็คืออาการขาดวิริยะนั่นเองนะอาการอย่างถัดมานะคืออาการที่โยมคอยนึกคอยระลึกคอยจับะไม่ว่าจะเป็นลมหายใจด้วยความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น อาการนึกระลึกคอยจับภาวะที่กำลังเกิดขึ้นอย่างนี้เราเรียกว่าเรียกว่าสตินะเรียกว่าสตินะ mm hmm. พอนึกอาการมันออกไหมมันอาตมาพูดคำพูดปุ๊บนึกยมต้องนึกอาการให้ออกนะคืออาการแบบนี้นะ mm hmm. อาการอีกอย่างหนึ่งถ้าเราทำได้ดีตอนนั้นนะพอจับปุ๊บมันจะอยู่ปับ๊บนะจับปุ๊บมันก็จะอยู่มันไม่ซัดสายไม่พุ่งสร้างออกไปอยู่กับอารมณ์กรรมาฐานไปตลอด ตอนนั้นเนี่ยความคิดมันจะไม่วิ่งเลยมันก็จะอยู่นึกแต่อารมณ์กรรมาฐานอย่างเดียวสงบเกลี้บไปกับอารมณ์กรรมาฐานอย่างเดียวมีภาวะที่สงบตั้งมั่นไม่แสบสายไม่คิดออกไปสู่เรื่องอื่นเลยอาการอย่างนี้เราเรียกว่าอาการของสมาธิเข้าใจนะและโยมจะเห็นว่ายโยมจะต้องน้อมจิตอย่างไรจะต้องสังเกตอย่างไรมีความเพียนแค่ไหนผ่นแค่ไหนใจโยมถึงจะสงบ โยมจะจำหมายอาการอย่างนั้นไว้ได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นอาการที่เรารู้ว่าต้องเพียรแค่ไหนต้องผ่อนแค่ไหนต้องระลึกอย่างไรเนี่ยความรู้ที่เกิดขึ้นเนี่ยแหละเราเรียกว่าปัญญาเข้าใจนะเฉะนั้นฟังจากอาตมาอย่างเดียวอย่างนี้ปัญญาที่แท้จริงยังไม่เกิดหรอกต่อเมื่อโยมลองทําแล้วทําได้จริงๆนั่นแหละจริงๆเรียกว่ารู้จริงๆเข้าใจนะ เอานะเพราะฉะนั้นหนึ่งโยมได้รู้จักและอารมณ์กรรมฐานคืออะไรและองค์ประกอบ่ายจิตใจอีกอีกห้าตัวที่จะถูกฝึกขึ้นมาในขณะที่โยมปฏิบัติได้แก่หนึ่งก็คือศรัทธาสองวิริยะสามสติสี่สมาธิห้าปัญญาห้าประการนี้มีชื่อรวมเรียกว่าอินสีห้าเพราะฉะนั้น ถ้าโยมเคยได้อ่านว่าโอ้คนนี้ยังไม่สามารถบรรลุธรรมได้เพราะอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าให้รู้ว่าคือห้าประการนี้แหละอินทรีย์ที่ท่านท่านหมายถึงก็คือห้าประการนี้แหละถ้ายังมีกําลังไม่พอนะก็จะไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้นี่มันการฝึกสมถะจะเป็นการฝึกอินทรีย์หประการนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะสี่ประการแรกสมถะจะเน้นสี่ประการแรกวิปัสสนาจะไปนเน้นอินทรีย์ข้อหลังก็คือตัวปัญญาเข้าใจนะ เพราะฉะนั้นถามโยมนิดหนึ่งถ้าโยมมาทำแล้ววันนี้วันนี้ไม่อยากทำเลยอยากไปเที่ยวมากกว่าไม่อยากทำเลยนะทำไปทำไมอาการอย่างนี้ขาดอะไรเอ่ยขาดอะไรขาดศรัทธานะใจมันไม่น้อมมา มันไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นความสำคัญใช่ไหมใช่มันทึ่งไม่อยากทำไงนะมันทึ่งไม่อยากทำนะอันนี้เราเรียกว่าขาดศรัทธานะขาดศรัทธาแล้วถ้าโยมว่าอืม้มวันนี้ฉันอยากทำแต่ทำไปแล้วเหนื่อยเบื่อง่วงอาการานี้ขาดอะไรเอ่ยนี่อันเนี้ยขาดวิทยะแหละใช่ไหม รู้ว่าดีนะอยากทํานะแต่ว่ามันไม่มีกําลังในการทํานะอาจจะเกิดเนื่องจากความอ่อนเพลียวันนี้ทํางานมันหนักนั่งแล้วมันง่วงมันซึมมันเหนื่อยอันนี้อย่างนี้ขาดวิริยะแหละแยกออกนะศรัทธากับวิริยะมันต่างกันนะถ้าศรัทธาเนี่ยมันไม่เห็นคุณค่าใจมันไม่น้อมมาไออยากทำเนี่ยมันไม่อยากทําเลยถ้ามันไม่เริ่มใสไม่ศรัทธามันไม่อยากทํำนะอาการนี้ขาดศรัทธา แต่ถ้าอยากทําแต่มันไม่มีกําลังที่จะทําทําไปแล้วมันเบื่อมันซึมมันง่วงมันเหนื่อยมันเซ็งถ้าอาการอย่างนี้ขาดวิทยะแยกออกนะอ้าวแล้วอาการที่พอทําไปแล้วขณะที่กําลังปฏิบัติอยู่นึกขึ้นมาโอ้หนังเรื่องนี้สนุกไปแล้วโเรื่องนี้สนุกแต้องไปดูมาไปดูกับคนนั้นกัมันไปดูกับตรงนี้ก็มันเดี๋ยวมาแล้วโอตอนนั้นไปดูแล้วไปกินอาหารร้านนั้นหมามันอร่อยจังเลย หรือเสร็จแล้วเราไปเที่ยวต่อกับเพื่อนมาสนุกอย่างนั้นสนุกอย่างนี้นั่งอยู่กำหนดได้แค่นาทีแรกนั่งสิบห้านาทีนาทีแรกกำหนดได้อีกสิบสามนาทีที่เหลือไปแล้วนะไปเที่ยวแล้วมารู้ตัวอีกทีหนึ่งก็ตอนไหนตอนจะเลิกนั่งเอ้ยเมื่อกี้ต้องกำหนดลมหายใจกลับมากำหนดอีกทีเอ้ยครบเวลาแล้วเลิกคิดฟุงงซ่านออกไปแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองเนาะ แม่รู้สึกการปฏิบัติดีเหลือเกินปฏิบัติวันนี้คิดแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองอาการอย่างนี้ขาดอะไรเอ่ยขาดสติลืมใช่ไหมลืมว่างานที่ตัวเองควรจะต้องทําในขณะนั้นคืออะไรพอมันเผลอออกไปแล้วลืมนึกเลยใช่ไหมคราวนี้ก็เพลินไปเรื่อยเปื่อยเลยอาการอย่างนี้คืออาการขาดสติคือไม่สามารถนึกไม่สามารถระลึกหรือไม่สามารถกําหนดสิ่งที่เราควรทําในขณะนั้นได้ มันสิ่งที่ตรงข้ามกับสติก็คืออาการหลงลืมไงมันอาการที่อาตมาบอกเมื่อกี้คือลืมใช่ไหมลืมว่าตอนนั้นตัวเองกําลังทําอะไรอะไรคือหน้าที่ของตัวเองในขณะนั้นๆนะมันสติก็จะตรงข้ามกับการหลงลืมนะสติไม่ได้ตรงข้ามกับการเบื่อหน่ายนะแล้วก็ไม่ใช่ตรงข้ามกับการที่เราไม่มีศรัทธาด้วยนะสติตรงข้ามกับการหลงลืมแต่ถ้านั่งไปแล้วกําหนดเยอบางคนพยายามกําหนดแต่มันไม่ค่อยอยู่ มันคอยสั่นสะอยู่ตลอดนึกไหมนึกและลึกไหม ล, ลึกแต่มันไม่สงบมันมีอาการสั่นสะอยู่ตลอดอาการอย่างนี้ขาดอะไรเอ่ยขาดสมาธิมขาดสมาธิมันยมลองสังเกตบางวันนี้เรานึกอยู่นะนึกและ ล, ะลึกถามว่ารู้สึกไหมรู้สึกแต่ว่ามันไม่สงบอาการเนี้ยสมาธิสีคือกําลังสมาธิมันขาด คนที่มีอาการอย่างนี้ต้องให้ฝึกสมาธิเยอะๆเลยะต้องฝึกสมาธิเยอะๆจะได้เพิ่มสมาธิอินซีก็คือกําลังของสมาธิอินทรีย์คือสมาธินี่ขึ้นมานแต่ถ้าทําแล้ว <c oughs> ปฏิบัติเกิดปัญหาแล้วแก้ไขไม่ได้นั่งแล้วเอ๊มันไม่สงบมันเกิดอะไรขึ้นเนาะไม่รู้ว่าเพราะว่ามันเกิดอะไรขึ้นอาการอย่างนี้ขาดอะไรเอ่ย ขาดปัญญาขาดความรู้ความเข้าใจจึงแก้ไขปัญหาที่กำลังปรากฏอยู่เฉพาะหน้าตรงนั้นไม่ได้เข้าใจนะเพราะฉะนั้นศรัท ธ, ธาคือความเลื่อมใสน้อมใจไปเห็นคุณค่าเห็นความสำคัญถ้าขาดศรัท ธ, ธาคือใจไม่น้อมไปไม่อยากทาไม่เลื่อมใสไม่เห็นคุณค่าวิริยะคือความเพียรพยายามมุ่งมั่นถ้าขาดวิริยะก็จะเบื่อหน่ายซึ่งซึมหดหู หรือเสงนะสติก็คืออาการนึกหรือระลึกได้จับไปได้ถ้าขาดสติก็คืออาการหลงลืมลืมไปว่าตอนนั้นตัวเองกำลังทำอะไรอยู่สมาธิคือภาวะจิตที่สงบตั้งมั่นพองสายแต่ถ้าจิตไม่สงบสัสดสายนั่งแสดงาขาดสมาธินะไม่ใช่ขาดสตินะอันนี้ต้องระวังให้ดีนะเพราะว่าสมัยนี้บางทีไม่แยกแยะให้ถูกเขาไปเหมารวมว่าขาดสติหมดมันไม่ใช่ ปัญญาก็คือมีความรู้ความเข้าใจในการสามารถแก้ไขปัญหาได้แต่ถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจแก้ไขปัญหาไม่ได้ก็แสดงว่าขาดปัญญานั้นอะินรี่ห้านี้เราจะถูกพัฒนาขึ้นมาในการฝึกเข้าใจนะวันที่เห็นนั่งชิดนิ่งๆกับเดินไปเดินมาเนี่ยฝึกเยอะเลยเดี๋ยวลองดูก็ได้แล้วยมจะสังเกตเห็นว่าอะไรที่ยอมกําลังขาดอยู่ในอินทรี่ห้านี้เดินไปเดินไปใจนึกพอนนึกไปแล้วลืม แสดงว่าขาดอะไรเอ่ยขาดสตินะให้รู้ว่านั่นแหละตัวเองนะขาดสติอยู่นะสติเนี่ยเป็นสิ่งที่ตัวเองจ ะ, จะต้องฝึกให้เยอะเลยนะเดินไปทําไปได้สักพักเนะี่ยทำไปได้ห้านาทีสิบนาทีเบื่อล้วอยากไปทําอย่างอื่นแล้วเซ็งละขาดอะไรเอ่ยวิริยะเนี่ยต้องเสริมวิริยะให้มากต้องแก้ที่ตัววิรยิยะนะคอยนึกระลึกกากับแค่ไหนมันก็ไม่อยู่หรอกนะถ้าไม่เสริมตัววิริยะขึ้นมา เอานะอันนี้เป็นตัวอย่างเมื่อจะฝึกในที่นี้ก็ต้องรู้วิธีการด้วยนะรู้วิธีการเพราะฉะนั้นต้องรู้ก่อนว่าเราจะเตรียมตัวในการฝึกอย่างไรท่า น, นก็บอกว่าให้เตรียมตัวห้าประการด้วยกันห้าประการมีอะไรบ้างหนะึ่งรักษาศีลคือสำรวมนวัดระวังกายวาจาของเราทั้งในแง่ของการรับรู้โลกและการแสดงออกต่อโลก เลือกลับในสิ่งที่ดีงามเพื่อกูลและแสดงออกในสิ่งที่ดีงามเพื่อกูลอยากจะให้โยมลองสังเกตดูนะวันไหนโยมมีเรื่องกระทบกระทั่งจิตใจเยอะไม่ว่าในทางชอบใจหรือไม่ชอบใจกันแล้วแต่วันนั้นเวลาโยมมานั่งสมาธินี่จะไม่สงบแต่ถ้าวันไหนโยมทำสิ่งที่ดีงามมีเรื่องกระทบกระทั่งน้อยวันนั้นนั่งแล้วจะสงบที่ดีเัรโยมมาฝึกสมาธินั่งในแต่ละวันนี่จะไม่เหมือนกันเลยขึ้นอยู่กับในระหว่างวัน โยมมีเรื่องกระทบมากหรือกระทบน้อยแต่ถ้าเรื่องที่เข้ามานั้นเป็นเรื่องในทางที่ดีงามเช่นไปทําบุญทํากุศลมาใ น, นวันนั้นโยมสังเกตเพราจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลใ น, นวันนั้นเวลานั่งสมาธิจะสงบได้ดีแต่ถ้าไปดูหนังดูละครคุยกับเพื่อนเฮฮานะพวกนัวันนั้นมานั่งเนี่ยไอ้เรื่องคุยกับเพื่อนะเต็มไปหมดเลยนะมันชึ้งขึ้นมากวนเต็มไ ป, ไปหมดเลยใช่ไหมหรือมีเรื่องทะเลาะเบาแหวงก็เหมือนกันเรื่องทะเลาะเบาแว้งมันจะขึ้นมาเต็มไปหมดเลย นั่นเป็นเพราะว่าระหว่างวันนั้นเราขาดศีลนั่นเองะวันนี้จําเป็นนะต้องบอกว่าเป็นสิ่งจําเป็นเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือโยมมีความสํารวมระมัดระวังในการฝึกในการปฏิบัติไหมในขณะที่โยมกําลังฝึกหรือในขณะที่โยมกําลังปฏิบัติถ้าโยมมีความสํารวมในการฝึกคอยจับขณะนั้นก็เรียกว่าเรามีศีลเช่นเดียวกันนศีลที่ ค, ความสํารวมระมัดระวังในลักษณะอย่างนี้สํารวมในการกําหนดอารมณ์กรรมาฐาน สำรวมในการพิจารณาสำรวมในการน้อมจิตมาถ้ายัมมีความสำรวมอย่างนี้จิตโยมจะสงบได้ง่ายอ้าวนะเม้นอย่างแรกต้องมีศีลนะเะั้นอย่างต่ำที่สุดคือศีลห้านะเขาะจะเห็นว่าถ้าเกิดเราไปปิดเบียนคนอื่นไปขโมยของหรือไปทะเลาะเบาแวงกับเขาเนี่ยใจเราจะไม่สงบนะอันนี้ขั้นต่ำประการที่สอง เมื่อโยมจะมาฝึกให้โยมตัดความกังวลทั้งหลายทิ้งให้หมดความกังวล น, นี้ภาษาธรรมะเรียกว่าปริโพนะปริโภ ธ, นะโภธเราเรียกว่าความกังวลใจนะเช่นเรื่องหน้าที่การงานเรื่องครอบครัวเรื่องเศรษฐกิจนะเรื่องงานที่เราค้างหรือแม้กระทั่งการศึกษาที่เราพยางามทำไม่สำเร็จพวกนี้ถ้าจะมาฝึกให้โยมทิ้งให้หมดเลยวิธีการอย่างง่ายๆทาอย่างไร เขียนจดลงในสมุดเลยถ้ากลัวลืมจดแล้ทิ้งมันไว้ในสมุดแล้วตั้งใจเลยว่าต่อไปนี้เรื่องพวกนี้ไม่สําคัญกับฉันละไม่ว่าจะเรื่องของอย่างถ้าเป็นแม่บ้านก็เรื่องทําอาหารใช่ไหมกลับไปจะต้องทําอาหารอะไรดีจะต้องไปซื้อของอะไรดีเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของตระกูลเรื่องของการสแสวงหาความรู้เนีเรื่องของครอบครัวอะไรต่างๆเหล่านี้นั้นถ้าโยมจะมาฝึกโยมตัดทิ้งให้หมดกลัวลืมจดไว้ จดไว้แล้วทิ้งมันในสมุดแล้วทิ้งเราออกจากใจเลยนะทิ้งมันออกจากใจให้หมดให้ตั้งใจเอาไว้ว่าเรื่องต่างๆไม่สําคัญแล้วสิ่งต่างๆไม่มีความสําคัญทั้งสิ้นสิ่งที่มีความสําคัญกับฉันในตอนนี้มีแค่อารมณ์กรรมฐานเท่านั้นจิตใจที่สงบผ่องใสเท่านั้นให้ตั้งใจไว้อย่างนี้ถ้าเราตั้งใจไว้อย่างนี้ได้เวลานั่งในพวกนั้นมันจะมากวนเราน้อยหรือเวลามันผุดขึ้นมาในใจของเรา เราก็จะสามารถตัดมันทิ้งไม่เก็บมันเอามาคิดต่อได้เข้าใจนะอันนี้อย่างที่สองตัดปริพเทตัดความกังวลทั้งหลายทิ้งหรืออย่างง่ายง่ายโยมเข้ามาวัดโยมจะเข้ามาวัดอ้าวเข้ามาในวัดเข้ามาในเขตพุทธาวาร์ดโยมเข้ามาที่ใต้บทนี้ให้โยมตัดทิ้งให้หมดเลยมาที่นี่ฉันไม่มีลนะพ่อแม่ญาติพี่น้องสามีภรรยาหรือลู ก, ลก หน้าที่การมาการงานทั้งหลายฉันไม่มีแล้วเมื่อฉันมานั่งอยู่ที่นี่มีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นก็คือธรรมะ ค, ความดีงามหรืออารมณ์กรรมาฐานที่ฉันจะปฏิบัติเท่านั้นเอาไว้ฉันเดินออกจากวัดไปเมื่อไหร่ฉันค่อยเอาพวกนั้นกลับเข้ามาให้ตั้งใจว่าอย่างนี้ะมันจะได้ตัดเอาให้เด็ดขาดไปเลยนะถ้าเข้ามาที่นี่หรือนั่งอยู่ที่นี่เรื่องหน้าที่การงานเรื่องทางบ้านเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรพวกนั้นฉันจะไม่พูดทั้งสิน้น ฉันจะตั้งใจนึกอยู่อย่างเดียวเท่านั้นคือเรื่องของธรรมะเรื่องของสิ่งที่ดีงามเรื่องของอารมณ์กรรมาฐานถ้ายมทําอย่างนี้ได้นั่งแล้วโยมจะสงบได้ดีแล้วก็สงบได้เร็วประการที่สามเข้าหาครูอาจารย์ที่สามารถสอนเราได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้แจงแท้จริงสามารถฝึกสอนเราได้แล้วก็จากนั้นศึกษากรรมาฐานให้เข้าใจ ไม่เข้าใจตรงไหนต้องถามเลยนะเพราะเวลาอาจารย์สอนอามาจะถามโยมอาจจะบ่อยสักนิดหนึงว่าเข้าใจไหมทาไมเข้าใจตรงไหนให้ถามเปิดโอกาสแล้วให้โยมรีบถามเลยนะเอาให้ชัดเจนเวลาฝึกมันจะได้ไม่ติดขัดนะถ้าไม่เข้าใจตรงจุดไหนงั้นประการที่สามเข้าหาครูอาจารย์ศึกษากรรมฐานลึกลับเอากรรมฐานที่เหมาะสมศึกษาให้เข้าใจประการถัดมาประการที่ 4, สี่แสวงหาสถานที่ที่สัปปายะ คือที่ที่เกื้อกูลเหมาะสมต่อการปฏิบัติแนะนำโยมว่าที่ที่เหมาะแก่การปฏิบัตินั้นได้แก่ที่ที่เงียบสงบมีเสียงรบกวนน้อยโดยเฉพาะเสียงคนพูดเสียงดนตรีพวกนี้รบกวนมากนะพวกเสียงดนตรีเสียงคนพูดเนี่ยพวกนี้จะรบกวนมากเพราะฉะนั้นอยากให้มีดีที่สุดเป็นที่ที่เงียบถ้าเป็นเสียงธรรมชาติเสียงลมพัดเสียงน้ำตกเสียงนกร้องอันนี้ไม่มีปัญหา เป็นที่ที่ไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปมีอากาศถ่ายเทได้สะดวกสะอาดสะอาดอันนี้ที่ที่สัพเพยะละประการถัดมาประการที่ห้าตัดความกังวลเล็กน้อยตัดความกังวลเล็กน้อยได้แก่อะไรเอ่ยรู้สึกร้อนอาบน้ำอาบท่าสักก่อนมาปฏิบัติเสื้อผ้าก็เปลี่ยน ใ, ให้สบาย ผมเเผ้าตัดให้เรียบร้อยนะผมเผผาหนวดคราวก็ตัดโกนเชื้ให้เรียบร้อยจะได้ไม่รู้สึกลาคานสถานที่ก็ปัดกวาดเช็ดถูเชื้ให้มันสะอาดมันจะได้ไม่รู้สึกลาคานอันนี้เราเรียกว่าตัดปริ้งโพดเล็กน้อยจากนั้นจึงเริ่มต้นปฏิบัติตามวิธีการที่เราได้เรียนรู้มาอ่าจําได้ไม่เอ่ยจําได้นะรักษาศีลตัดปริโพด เข้าหาครูอาจารย์แล้วก็สแสวงหาสถานที่สับปลายะตัดปลิโวพุทธเล็กน้อยแล้วก็จากนั้นจึงเริ่มลงมือปฏิบัติตามวิถีนี่คือขั้นตอนของการเตรียมตัวนะถ้าเตรียมตัวได้อย่างนี้จิตของเราจะสงบได้เร็วอย่างที่สองนอกจากเตรียมตัวแล้วต้องเตรียมจิตให้พร้อมด้วยเตรียมจิตให้พร้อมอย่างไรประการที่หนึ่งให้น้อมใจนึกถึงสิ่งที่ดีงามนะ และนึกถึงสิ่งที่ดีงามเช่นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะแล้วให้ตั้งใจว่าทุกขณะของการปฏิบัตินั้นคือสิ่งที่ดีงามภาษาธรรมะเราเรียกว่ามีศรัทธ า, า, นะ า, า, <c oughs> าหรือมีความเลื่อมใสนั่นเองนมีความศรัทธามีศรัทธาหรือมีความเลื่อมใสนั่นเองว่าถ้าจิตเกิดศรัทธาเกิดขึ้นจิตมันจะเกิดความผ่องใสแล้วจะสงบได้ง่ายดังนั้นในการปฏิบตัติโดยส่วนใหญ่ยมจะสังเกตเห็นว่าก่อนเรื่องปฏิบัติ พระมักจะนําให้โยมไหว้พระสวดมนต์ก่อนทั้งนี้ทัางนั้นก็เพื่อให้โยมน้อมระลึกนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะัคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือสิ่งที่ดีงามเหล่านั้นเพราะจิตใจของเราเวลาเกิดความดีงามขึ้นมามันจะเกิดความสุขเกิดความของสายแล้วมันจะอิ่มใจแล้วมันจะสงบได้ง่ายอันนี้ประการที่หนึ่งประการที่สองอย่าอยากสงบอันนี้ต้องระวัง เป็นยังไงอาการอยากสงบนั่งปุ๊บทําไปได้ห้านาทีมันจะต้องให้ได้สงบเดี๋ยวนั้นเลยอาการอย่างนี้คืออาการอยากสงบพอไม่สงบมันก็จะรู้สึกอึดอัดถ้ามันไม่สงบเมื่อไหร่มันจะสงบยิ่งทําอย่างนั้นกลับยิ่งไม่สงบแล้วกลับจะยิ่งฟุ้งซ่านยิ่งอยากให้มันสงบเร็วนะยิ่งบังคับให้มันสงบเร็วมันกลับยิ่งฟุ้งมากแล้วนั่งครั้งนั้นจะกลายเป็นอึดอัดไปทันทีเลยแล้วจะอาการสงบจะเกิดจะไม่เกิดขึ้นเลย ระวังเรื่องนี้ให้ดีผู้ที่ปฏิบัติใหม่มักจะเป็นกันคือทำป๊อบแป๊บวันสองวันพุ๊อยากจะให้ได้ไต้เดี๋ยวนั้นเลยอาการอย่างนั้นเป็นอาการของกิเลสอย่างหนึ่งนะมันอย่าไปทํานะแม้ความสงบจะเป็นเป้าหมายแต่อย่าอยากให้มันสงบอย่างใจของเราต้องการไม่ได้เลยนะถ้าทําอย่างนั้นยิ่งไม่สงบประการที่สามให้อยากทํามีความสุขในการทํา ตั้งใจไว้สงบก็ดีไม่สงบก็ดีถ้าเราได้ทําเราได้ปฏิบัตินั่นคือสิ่งที่ดีทั้งนั้นแหละให้ตั้งจิตตั้งใจไว้อย่างนี้ง mm. สงบก็ดีดีที่มันสงบไม่สงบก็ดีดีที่เรารู้ว่ามันไม่สงบแสดงว่าสติเราเริ่มจับทันไม่ดีหรออย่างนี้ใช่ไม่ใช่ตั้งใจว่าอย่างนี้เอาละดีละสติตอนนี้อย่างน้อยสติเราเริ่มจับทันเอาทําไปเรื่อยๆดีละเรากําลังกา้วาวหน้าเนี่ยแหละเป็นความสุขเป็นคุณลังของความดีงามในใจของเราค่อยๆทาไป มันหลดออกไปก็ดึงกลับมีความสุขในการดึงกลับเนี่แหละการที่ดึงกลับนี่คือการที่เรากําลังต่อสู้กับกิเลสใช่ไหมนี่แหละคือการทําดีลนะอย่าไปเบื่อหน่ายกับการที่เราคอยดึงกลับมาอยู่กับอารมณ์กรรมฐานทําไปเรื่อยๆสงบก็ดีไม่สงบก็ดีมีความสุขในการทำํำมีความเพียรในการทําถ้าโยมทำไปเรื่อยๆแบบนี้นะโดยที่ไม่ไปคาดหวังว่าจะต้องให้ได้อย่างนั้นให้ได้อย่างนี้อย่างใจของโยมเนี่ยมันจะค่อยๆสงบลงมาเองและขณะทํา ม, มันจะมีความสุข เมื่อมีความสุขเกิดขึ้นจิตใจมันก็จะค่อยสงบลงมาเองอาวาจําไว้นะอย่างที่สามนะคนที่ปฏิบัติใหม่ๆมักจะทําตรงกันข้ามคืออยากสงบแต่ไม่ค่อยอยากทำํำถามปุ๊บแล้วอยากจะให้ได้อย่างใจงทันทีเลยภายในวันสองวันหรือภายในนาทีสองนาทีอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็จะมีคําถามมาถามพระบ่อยๆนั่งแล้วทําไมมันไม่สงบทํำยังไงมันจะสงบนะ และตอบอย่างง่ายๆหนึ่งมีความเพียรสองอยาอยากสงบสามทำไปเรื่อยมีความสุขในการทำถ้าไม่ทำอย่างนี้มันก็จะไม่สงบหรอกเข้าใจนะอ้าวประการถัดมาประการที่สี่มีความตั้งใจแต่พอดีอยาตั้งใจมากเกินไปอาการตั้งใจมากเกินไปเป็นอย่างไรทำปุ๊บนั่งเดี๋ยวนี้จะให้ได้เดี๋ยวนั้นเลยวันนี้ใจฉันจะไม่ฟุ้ง กลับมากําหนดที่ลมหายใจก็พยายามกําหนดอย่างละเอียดไปตลอดเพ่งจะเอาให้ละเอียดจะต้องไม่ฟุ่งออกไปหรือกาหนดยุบพองคนนี้เพ่งเลยพองยุบจะตามให้มันละเอียดนั่งแล้วคนนี้เป็นยังไงหายใจไม่ออกเลยเพ่งมากเกินมันอึดอัดระหว่างอาการอย่างนี้คนที่ฝึกใหม่ๆบางทีเป็นนะแมมมันนี้แบบฟิตมาก เพง่งว่าจะเอาให้สงบกายเป็นไม่สงบคนนี้หายใจไม่ออกนั่งแล้วคนนี้ปวดหัวอึดอัดอาการอย่างนั้นแสดงว่ายมเพียนมากเกินให้นึกถึงพินสามสายไว้ตอนสมัยที่พระพุจ้าจะตัดสรู้ใช่ไหมตึงเกินไปก็ไม่ดีย่อนเกินไปก็ไม่ดีต้องให้พอเหมาะพอดีความเพียรพยายามหรือความตั้งใจก็ต้องให้พอเหมาะพอดีด้วยอย่าไปเพ่งแบบเอาจริงจังตั้งั้งแต่ต้นอย่างนั้นเลยไม่งั้นเนี่ยนั่งแล้วอึดอัดเลย แล้วจะเกิดอาการปวดหัวอาการอึดอัดหายใจไม่ออกลมหายใจติดขัดนะหรือนั่งแล้วหน้าหน้ามันจะขมวดเข้ามานั่นแสดงว่าโยมเพ่งมากเกินตั้งใจมากเกินให้ผ่อน ล, ลงมา ก, กว่านั้นนะเพราะฉะนั้นตั้งใจแต่พอดีนะแต่ถ้ายมไม่ตั้งใจเป็นยังไงคราวนี้มันหลับหรือไม่ก็ฟุ้งไปเลยอันนั้นก็ไม่ได้อีกนะถ้าอย่างนั้นเราต้องตั้งใจมากขึ้นนิดหนึ่งนะและประการที่ห้า ทำด้วยความผ่อนคลายและมีความสุขในการทำนะเพราะฉะนั้นในขณะที่ทำทุกครั้งให้รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีงามทุกครั้งที่เราทำให้รู้สึกสบายรู้สึกผ่อนคลายทำแบบสบายๆนะผ่อนคลายแต่ก็มีความตั้งใจด้วยนะตั้งใจแต่พอพอดีที่สำคัญก็คือเมื่อทำไปแล้วจิตมันเริ่มสงบเกิดความสุขเกิดขึ้นจะผ่อนมากเกินนะถ้าผ่อนมากเกินเป็นยังไงเอ่ย นั่งมีความสุขโอ้สบายผ่อนไปเรื่อยเกิดอะไรขึ้นหลับนะหลับเลยนะไอ้งั้นผ่อนมากเกินนะไม่ได้นะมันไม่คิดหรอกไห้ตอนหลับเนี่ยมันไม่คิดแนตะ่เพราะมันคิดไม่ได้แล้วนั่นก็ไม่ใช่สมาธิด้วยนะอะลองสังเกตง่ายๆนะอาการมันจะหนักๆ น, นะพอผ่อนสบายมันจะหนักๆ น, นะพอเริ่มหนักแล้วเริ่มสับตะงโงกหรือไม่มันจะไม่รู้สึกถึงอารมณ์กรรมาฐานเลย บางคนพอมันไม่รู้สึกถึงอารมณ์กรรมาฐานเลยนึกว่าดีอันนั้นคือไม่ดีนะนั่นแสดงว่าเราไม่ได้กําหนดอารมณ์กรรมาฐานแล้วะสติเรากระเจิงไปเรียบร้อยละบางคนนั่งแล้วเออกําลังสงบผ่อนสบายคราวนี้มันเหมือนตัวลอยได้เดี๋ยวมีคนนั้นมาหามีคนนี้มาหามาสอนเรื่องนั้นเรื่องนี้ระวังให้ดีนะอย่าไปยุ่งกับเรื่องพวกนั้นนะนั้นเป็นเรื่องของจิตมันกรุงขึ้นมาจำไว้ให้อยู่กับอารมณ์กรรมาฐานตลอดแล้วยมจะไม่มีอันตราย แต่ถ้ามันลอยออกไปแล้วหรือมัน เ, นเหมือนจะไปรวมปุ๊บแล้เข้าไปรวมกับอะไรบางอย่างอย่างนี้เนี่ยอันนั้นไม่ได้เลยอย่าไปทําอย่างนั้นให้รีบกลับมาที่อารมณ์กรรมฐานซ ะ, นะอาการอย่างนั้นไม่ใช่สิ่งที่ดีเป็นอาการที่กําลังขาดสติและ้ะสติมันไม่ได้ระลึกแล้วตอนนัน้นมันลอยและวนะมันล่องลอยและวจิตมันเควมันล่องลอยอ้าวเตรียมจิตห้าอย่างมีคําถามไหม อ่าตบทวนนิดหนึ่งหนึ่งมีศรัทธาสองยา่าอยากสงบสามให้อยากทำมีความสุขในการทําีตั้งใจแต่พอดีห้าทำด้วยความสุขแล้วมีความผ่อนคลายนะความตั้งใจกับความผ่อนคลายนี้ต้องให้สมดุลกันถ้ายมผ่อนมากเกินมันจะหลับหรือไม่ก็ล่องลอยถ้ารู้สึกอย่างนั้นให้ยมตั้งใจมากขึ้น แต่ถ้าโยมตั้งใจมากเกินมันจะเครียดมันจะอึดอัดหรือหายใจติดขัดถ้าอย่างนั้นแสดงตั้งใจมากเกินให้โยมผ่อนลองมานิดหนึ่งจุดสมดุล น, นี้ถ้าโยมนั่งได้แล้วก็รู้สึกถึงจุดสมดุล น, นี้โยมจะรู้สึกเลยนั่งแล้วมันผ่อนคลายมันมีความสุขมันสบายแต่อารมณ์กรรมฐานนั้นจะปรากฏชัดอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือจุดสมดุลนะ่ะนั่นให้โยมจําให้แม่นเลยตอนนั้นน้อมจิตแค่ไหนตั้งใจแค่ไหนผ่อนแค่ไหน ตรงนั้นน่ะแหละถ้าโยมจําได้แม่แล้วต่อไปเวลาโยมมานั่งให้โยมน้อมจิตไปให้เกิดอา ก, การอย่างนั้นเกิดขึ้นจิตมันก็จะอยู่ในภาวะสมดุลแล้วมันก็จะสงบไปได้ตลอดอา้ามีคําถามไหมการเตรียมจิตในระหว่างปฏิบัติกรรมฐานแลแต่วิธีเรื่องของวิธีการแต่ถ้าการปฏิบัตินั้นอันตมาแนะนําว่าไม่ไม่ต้องสวดมนต์อะไรในใจทั้งสิ้นให้อยู่กับอารมณ์กรรมฐานอย่างเดียวเท่านั้น ถ้ายมจะสวดมนต์ยมสวดมนต์อย่างเดียวนะเจริญพรจะปออไปกาหนดสองอย่างไปพร้อมกันจเจริญพรนะอ้าวนะคราวนี้มาถึงวิธีการบ้างเพราะวิธีการที่จะปฏิบัติในวันนี้ก็จะให้ดูในเรื่องของอิริยาบถซึ่งการดูอิริยาบถนั้นสามารถสังเกตได้หลายอย่างด้วยกันนะที่มักจะนิยมปฏิบัติกันในประเทศไทยก็คือการสังเกตเรื่องการเคลื่อนไหวหรืออาการเกรงตึงหย่อน น, นั่นคืออย่างแรก เราเรียกว่าสังเกตวายโยธาอย่างที่สองก็คือสังเกตภาวะที่เป็นกลุ่มก้อนรูปร่างที่มันกำลังเปลี่นสภาพแต่ในวันนี้อาจจะมาจะสอนให้สังเกตภาวะกลุ่มก้อนรูปร่างก่อนถ้าโยมสามารถสังเกตภาวะกลุ่มก้อนรูปร่างได้ดีอยู่แล้วหรือสามารถสังเกตได้ดีให้โยมใช้ภาวะนี้ไปตลอดได้เลยนะทำได้คล่องแล้วเดี๋ยวจะต้องไปสังเกตอีกภาวะหนึ่งอยู่ดี แล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะสังเกตในแง่ของการดูอาการเคลื่อนไหวและกรง่ตึงหย่อนใหนะ้ภาวะที่เป็นกลุ่มก้อนรูปร่างนั้นเป็นอย่างไรไม่ใช่การจินตนาการเป็นรูปภาพขึ้นมาแต่อาศัยประสาทสัมผัสหรือความรู้สึกทางกายอย่างเดียวเท่านั้นเพราะในการปฏิบัติห้ามจินตนาการเป็นรูปภาพไม่ต้องนึกเป็นรูปภาพเข้าใจนะอ้าวเราลองสังเกตดู วิธีการให้โยมยกมือขวาขึ้นมาประมาณนี้ <c oughs> อา้าลองดูเลยนะอา่ายกมือขวาขึ้นมาะเห็นไหมเอ่ยโยมยกแค่นี้พอนะแต่เดี๋ยวอาตมาจะยกสูงหน่อยเพราะว่าคนข้างหลังอาจจะไม่ค่อยเห็นนะอา่อาออกนะอ้าวจากนั้นให้โยมขยับมือเล็กน้อยอย่างที่อาตมาทำช้าๆอ่าคราวนี้โยมหลับตา หลับตาขยับมือเล็กน้อยโยมรู้สึกว่ามีมืออยู่มะมมีใครไม่รู้สึกว่ามีมือขวาอยู่บ้างมีไหมโยมต้องขยับมือด้วยนะขยับขยับเล็กน้อยตอนนี้ยังขยับอยู่นะช้าๆไม่ต้องเร็วมากนะโยมรู้สึกว่ามีมือขวาอยู่ไหมรู้สึกัหม รู้สึกนะนะรู้สึกกันทุกคนนะจำความรู้สึกนี้ไว้นะจินตนาการภาพหรือเปล่าตอนนี้ห้ามนึกเป็นภาพนะรู้สึกยังไงคือแบบนั้นแหละนะความรู้สึกแบบนี้าจากนั้นโยมก็ค่อยแบ์มือออกแบ่มือเหยียดออกเลยแล้วก็หยุดนิ่งยังรู้สึกว่ามีมือขวาอยู่ไหมมีใครไม่รู้สึกไม่เอ่ยรู้สึกนะ ความรู้สึกตอนนี้กับความรู้สึกตอนที่มือกำเข้ามานิดหน่อยแบบเมื่อกี้ต่างกันไหมมีใครไม่ต่างต่างใช่ไหมตอนนี้ถ้าจะพูดอธิบายก็คือรู้สึกมันเป็นแผ่นๆแบนๆใช่ไหมอ้าวสังเกตนะความรู้สึกแบบนี้มันเปลี่ยนอย่างไรให้โยมค่อยกำมือเข้ามาช้าๆเค่อยกำมือเข้ามาช้าๆลองสังเกตความรู้สึกเขาค่อยกำเข้ามาอาละ่ะตอนนี้มือโยมกำลังกำนะ ความรู้สึกต่างจากตอนแบมือไหมมีใครไม่ต่างบ้างมีใครไม่รู้สึกบ้างรู้สึกทุกคนนะคราวนี้สังเกตให้ละเอียดในขณะที่เราแบมือออกให้สังเกตให้ละเอียดในแต่ละขณะที่เรากำลังแบมือออกว่าความรู้สึกแต่ละขณะมันเปลี่ยนไปอย่างไรอาวนะก็ค่อยแบมือออกอาลองสังเกตสิความรู้สึกที่เป็นก้นก้อนนิ้วที่เป็นแท่งแ่งนั้นมันมีรูปร่างเปลี่ยนยังไง ความรู้สึกเปลี่ยนไปยังไงอา้าวตอนนี้โยมแบมือแล้วนะเปลี่ยนไหมความรู้สึกในแต่ละขณะใครสังเกตไม่ได้บ้างสังเกตได้ทุกคนนะอา้าวคนนี้ค่อยกํามือสังเกตความรู้สึกแต่ละขณะเปลี่ยนยังไงอา้าวแล้วตอนนี้โยมกํามือแล้วนะ เปลี่ยนไหมความรู้สึกเปลี่ยนนะเอาสังเกตต่อค่อยๆแบมือออกช้าๆนะไม่ต้องรีบเอาละความรู้สึกเปลี่ยนนะเอาและวางมือลงได้แล้วก็ลืมตาความรู้สึกแบบนี้มันไม่ใช่อาการเกรงอาการตึงใช่ไหมแต่เป็นเป็นภาวะของเป็นก้อนๆที่มันเปลี่ยนรูปร่างไปใช่ไม่ใช่ ความรู้สึกแบบนี้ยคือสิ่งที่เราจะเอามาใช้เป็นอารมณ์กรรมาฐานภาษาธรรมะเราจะเรียกภาวะแบบเนี้ยความรู้สึกแบบนี้ว่าปัตตวีธาตุภาษาไทยเราแปลว่าธาตุดินต่างจากสิ่งที่โยมเคยเรียนมาไหมเรามานั่งท่องภาวะถ้าเป็นกลุ่มก้อนรูปร่างมันไม่เหมือนกับเรามาสังเกตเองอย่างนี้หรอกแต่เท่านี้อาตมาที่จะให้สังเกตจริงๆโยมสังเกตได้จะสังเกตแขนหรือสังเกตลําตัวก็ได้ แต่วันนี้ที่จะสอนให้จ ะ, จะสอนให้โยมสังเกตที่ขาในขณะเดินก่อนก็แล้วกันเอาเท่าที่เวลาเรามีเพราะตอนนี้เวลาเหลืออีกไม่เยอะแล้วไม่ประมาณสักยี่สิบนาทาีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวโยมลุกขึ้นเดี๋ยวช่วยเก็บอาสนะแล้วเก็บของด้วยเลย